เดี๋ยวสนทนากันต่อในเรื่องของทิฏฐิโดยเฉพาะก็คือกล่าวในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงะธรรมคำสอนในในคำสอนก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนี่ตรงนี้เวลาไปตรวจสอบในคำสอนต่างๆก็ต้องมาพิจารณาโดยเฉพาะในทิฏฐิคาถาในคำพีขุตการนิการปฏิสัมพิธามัก เกี่ยวในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของทิฏฐิเนี่ยโดยเฉพาะในทิฏฐิคาถาท่านก็จะถามว่าที่ตั้งแห่งทิฏฐิมีเท่าไรความกุ้มรวมหนึ่งทิฏฐิเท่าไหรทิฏฐิเท่าไหรความยึดถือผิดแห่งทิฏฐิในเท่าไร่แล้วความถอนที่ตั้งหนึ่งทิฏฐิเท่าไร่ทิฏฐิคือความรูปคำด้วยความเห็นผิดเท่าไหรเป็นต้นตรงนี้ก็ว่ากันไปตามลําดับเลยที่ตั้งของทิฏฐิความรุมเล้าแห่งทิฏฐิแล้วก็ถามนึทิฏฐิเท่าไหร ถามว่าที่ความถอนที่ตั้งหนึ่งมิฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือโสดาปริมาตรเป็นเครื่องถอนหนึ่งทิฏฐินี่ทีนี้คําว่าทิฏฐิคือความรูปคำด้วยความถือผิดตัวทิฏฐินี่คือความรูปคำด้วยความถือผิดว่ารูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนของเรานไสภาพของทิฏฐิจะเป็นอย่างนี้ทิฏฐิความรูปคำด้วยอำนาจหนึ่การถือผิดซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็น ตัวตนของเราก็คือทิฏฐิรูปคําด้วยความถือผิดที่ตาหูจมูกริ้นกายใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนของเราทิฏฐิก็รูปคําด้วยความถือผิดตัวรูปเสียงกลิ่นรสโพธพาธรรมอารมณ์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราก็าจะไล่ไปอย่างนี้แล้วก็จะยกตัวยอย่างเช่น ว, ว่าเริ่มต้นก็จากรูปใช่ไหมไปยึดถือผิดว่ารูปเบรดน รูปว่าถือผิดในรูปแต่รูปคำความถือผิดในรูปบอนั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราแล้วก็ในเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยก็ขยายกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนไปพิจารณาที่จริงตรงเนี้ยถ้าต้องการละทิถีเนี่ยท่านแห่ไปไล่เริ่มตั้งแต่รู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกินรสผู้ถพาะธรรมรมเงี่ยนะแล้วก็ไปนู้นเลยจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณแล้วก็จักขูสัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสโมโนสัมผัสแล้วก็จักขูสัมผัสสัจชาเวทนาโสตสัมผัสสัจชาเวทนาคานะสัมผัสสัจชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัจชาเวทนา กายสัมภัสชาเวทนามโมสัมภะสชาเวทนาไล่ไปเรื่อยไปจนถึงนี่เลยรูปะสัญญาสัทธาสัญญาคันธาสัญญารสาสัญญาปุถะภาสัญญาแล้วก็ธรรมะสัญญานั่นของเราเราเป็นนั่นนเป็นตัวตนของเราแล้วก็เป็นรูปคำเนี่ยรูปะสัญเจตนาสัทธาสัญเจตนาคันธาสัญเจตนารสาสัญเจตนาโปุถะภาธรรมะสัญเจตนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนเป็น อัตราของเราแล้วก็ไปรูปคําอะไรอีกรูปปัญหาก่อนนะนะรูปปัญหาสัทธาตัญหาคันธาปัญหาและศาสนาโปวดพรธาปัญหาแล้วก็ธรรมะัญหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราก็รูปวิจารณสัทธาวิจารณรูปวิจารณเงยในนี้จะลูปวิจารเออลูปวิตก่อนเนาะรูปวิต ก, ก่อน แล้ัทธาวิตกคันธวิโตกราสะโพธภาแล้วก็ธรรมวิโตกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราแล้วไปรูปปวิจารณ์สัทธาคันธราสะโพธภาธรรมวิจารณ์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราแล้วก็ไปทิฏฐิไปรูปคาอะไรอีกอาโปธาตเตโชธาตวาโยธาตอาถาสะธาตวิญญาณธาตบอกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราแล้วไปรูปลักคาอะไรอีกแต่เนี้ หรือผิดซึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับทั้งผืดนไตไร่ไรยไปจนน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดแล้วก็สมองศีรษะบอกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นาตาของเราไปเนี่ยจกยนนักขวายาธนาแล้วรูปายาธนาเลยก็ไปว่าไปอายาธนาสิบสองท่าสิบแปดอินซียี่สิบสองเอา22เลยเออเนี yeah. ่ยไม่เอา 19. ยินศีออใช้ไปถึงปัญยินศรีย์เท่านั้นพอเนาะใช่เปูกไม่ถึงอันนั้นคือล้อกุตราไม่เอ า, เอาแล้วก็ไปแล อ, อ, อีกไปเขียนในเรื่องของการมาทารูปประธาตอรูปประธาต์กามาพบรูปประพบบรูปประพบเอกะวะกรปพบเจตัวก็ว่าไปนะแล้วก็เอาวิชาปฏิจจสมุปบาทเลยทีนี้ท่านก็มาสรุปตอนท้ายบอกว่าพอจบปฏิจจสมุปบาทเบียดเสร็จแล้วก็บอกว่า ในความก้มรุมทิฏฐิ18เป็นฉไหนทิฏฐิคตะทิฏฐิรบชัดทิฏฐิกันดานทิฏฐิเป็นเส้นหนามทิฏฐิวิบัติทิฏฐิเป็นสัญญอ์ทิฏฐิเป็นลูกศรนทิฏฐิเป็นความขัดแค้งทิฏฐิเป็นเครื่องกังวลทิฏฐิเป็นเครื่องผูกพันทิฏฐิเป็นเหวทิฏฐิเป็นอนุสัยทิฏฐิเป็นเหตุให้เดือดร้อนทิฏฐิเป็นเหตุให้เล่าร้อนทิฏฐิเป็นเครื่องร้อยรัดทิฏฐิเป็นเครื่องยึดมั่นทิฏฐิเป็นเหตุให้ถือผิด ทิฏฐีเป็นเหตุในรูปคําความกุ้มรวมหนึ่งทิฏฐีมีสิบแปดอย่างเนี่ยก็ไปไข้รวนหนเป็นอย่างนี้นรนนงงจริงไหมล่ะเราเนี่ยต้องมาในทิฏฐีเป็นที่ไปในขตาเนี่ยแล้วก็รคชัดเนี่ยเราออกจากมันไม่ได้กันดานด้วยเนี่ตอนเนี้ยนนทิฏฐีเป็นเสี้ยนหนามอะทิฏฐีวิบัติเนี่ยนะเป็นสังโยชน์ร้อยเราไว้โดยเป็นลูกศรเสียบอยู่ที่อกเราอยู่นี่แหละแล้วยังถอดลูกศร น, นี้ออกไม่ได้ เป็นความคับแคบด้วยเป็นเครื่องกังวลด้วยเป็นเครื่องผูกพันด้วยกังวลไ้มล่ะทุกวันเราก็มากังวลกันอยู่นี่แหละเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรสารพัดอยู่ทิทีทิทีน่าเกลียดแท้ใช่ไหมก็เป็นเครื่องกังวลเป็นความผูกพันเป็นเหวเป็นความเป็นเป็นอนุสัยเป็นเหตุให้เดือดร้อนเป็นความเร้าร้อนด้วยเป็นเครื่องร้อยลัดด้วย เป็นเครื่องยึดมั่นเลยเป็นเหตุให้ถือผิดเป็นเหตุให้รูปคาวเป็นความพุ่มรุม18ประการนี้แหละคือทิฏฐีจะเป็นอัศาธาทิฏฐีอัตตานุทิฏฐีมิจฉาทิฏฐีสักยะทิฏฐีศาสนาทิฏฐีที่มีกายะที่มีสักกายะเป็นวัตถุก็มีเนี่ยขันนี่แหละอุเฉททิฏฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุ อันตากาหิกาทิฐีผูกพันตาทิฐีอปรันตทิฐีสังโยโยชนิกาทิฐิทิถีผูกพันด้วยความมานะวาเราทิฐีผูกพันด้วยมานะวะของเราทิฐีอันสัมบยุทธ์ด้วยอัตตะวาท้าวทิถิสัมบยุทธ์ด้วยโลกวาทะภวะทิฐิวิภวทิฐีนี่ทิถีสิบหประการอย่งเนี้ยถามว่าสักกายอสาทิฐีเนี่ยมีความถือผิดโดยการเท่าไหร่อัตานุทิถิมิฉาทิถิสักกายทิถีสัสจะทิถีเนี่ย ก็มีสักกายะเป็นวัตถุก็กมีขันห้านี่แหละเป็นวัตถุเป็นอารมณ์เป็นเครื่องผูกพันของเขาทีนี้ในบรรดาอัฏฐะท้าทิฏฐิมีความถือผิดโดยการยังไงบอกว่าถือผิดโดยการ20บ้างถือผิดโดยการสิบบ้างถือผิดโดยโดยถือผิดอยู่20่สิสสตาทิฏฐิมีสักกายะเป็นวัตถุก็มีการถือผิดในรูปในเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณก็โอ้โหรายละเอียดเยอะเลยเรื่องทิฏฐิตรงเนี้นะ ทีนี้ปุรุช น, นเนี่ยไปสรุปอีกตรงเนี้อปุรุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกก็หมายความว่าไม่ได้เห็นพระริยาเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระริยาเจ้าไม่รับการแนะนําในธรรมของพระริยาเจ้าไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่รับการแนะนํน า, นาในธรรมของสัตว์บุรุษย่อนเห็นรูปดูรู ป, รปด้วยความเป็นตนบ้างเห็นตนว่ามีรูปบ้างเห็นรูปในตนบ้างเห็นตนในรูปบ้างเรียนมาแล้วว่าเนี่ย เนี่ยคือปุถุชนที่ไม่ได้สดับตรงนั้นท่านไปตัดตอนไว้ในหลักสูตรเนี่ยไม่บอกก่อนว่านี่ปุถุชนมีสองประเภทปุถุชนที่เป็นกัญญาในปุถุชนกับปุถุชนที่เป็นอันทาปุถุชนอันนี้ท่านกล่าวถึงอันทาปุถุชนในที่ไม่ได้สดับเนี่ยนะคือสดับแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะใจมันถูกเสีย้ยนหนามกระเทียบถีเนี่ยดึงเข้าไว้ ใจมันก็ไปกังวลเรื่องอื่นหมดแหละมันไม่มาทางพระพุทธเจ้าเล้วไม่มาแล้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกผู้ดชนที่ไม่ได้สดับฟังขนาดไหนก็คือไม่ได้สดับอยู่นี่นะเนี่ยไม่รับการแนะนําในธรรมของสัตรบุรุษเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนแล้วก็เห็นตนในรูปย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณดยความเป็นตนบ้าง เห็นตนว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนบ้างเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปุถุชนเนี่ยย่อมเห็นโลกโดยความเป็นตอนอย่างไรเห็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นปฐวีธาตุโดยความเป็นตนคือย่อมเห็นปฐวีกสินและตนไม่เป็นสองว่าปฐวีกสินอันใดเราก็อัาน น, านั้น เขาจำไว้เนี่ยนี่คือกลุ่มที mankind, ่ไปเจริญปฐวีกสินพอไปเจริญไปเจริญมาเบียเศษในที่สุดจริงๆได้ปฏ mm ิภาคนิมิตในปฐวีกสินนั่นแล้วก็เลยเป็นสมการว่าปฐวีกสินเนี่ยเป็นต้นต้นก็คือปฐวีกสินนั้นเพราะตนคิดยังไงปฐวีกสินมันก็เป็นไปตามความคิดของตนคิดให้เล็กมันก็เล็กคิดให้ใหญ่ก็ใหญ่คิดให้สว่างมันก็สว่างคิดให้หายไปมันก็หายไปคิดให้กลับมามันก็กลับมาย่อเล็กยกขยะใหญ่ได้เนี่ย มันก็เลยไปสำคัญว่าปะทวีนั้นเป็นตน้นต้นก็คือปะทวีขยายย่างถ้าบางคนคิดให้ต้นไม้ล้มต้นไม้ก็ล้มขยายย่างเรคิดให้สัตว์เกิดสัตว์ตายได้เนี่ยพร้อมบางพวกคือมันบมันเป็นเหตุประจวบเหมาะก็สําคัญว่าเห็นไหมก็สําคัญเลยว่าเนี่ยปะทวีเนี่ยเป็นตน้ตนต้นเป็นนี่นี่ถ้าอย่างนี้เห็นชัดหน่อยใช่ไหม เปรียบเสมือนเมื่อปฏิบบน้ำมันกําลังลุกโพรงอยู่บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่าเปลวไฟอันใดแสงสว่างก้อนนั้นแสงสว่างอันใดเปลวไฟก้อนนั้นชั้นใดนี่ไปเทียบกันได้หลักสุดไอที่เราเรียนกันนั้นแรกจําได้ไหมเมื่อวานเนี้ยไปสําคัญว่าเปลวไฟกับแสงสว่างเป็นอันเดียวกันเลยเป็นเหมือนกับเราทุกวันเนี้ย ถ้ายังไม่ได้เคยเจริญปตวีกสิงก็เป็นสำคัญว่ารูปกับเราเน่ยเป็นอันเดียวกันเรากับรูปเป็นอันเดียวกันเวทนากับเราก็เป็นอันเดียวกันเรากับเวทนาสัญญากับเราเรากับสัญญาสังขารกับเราเรากับสังขารวิญญาณกับเราเรากับวิญญาณอันเดียวกันเลยแยกไม่ออกเลยทุกวันเนี่ยออกไหมกันอย่างนั้นไหมล่ะ แล้วมันแยกกันได้ไหมเนี่ยแยกได้ไหมมันไม่แยกได้ก็เปนเข้าภาาเสือส่อแไม่ต้องแยกเพราะมันแค่มีแต่อย่างเดียวมันไม่มีเราใช่ไหมคือไปสําคัญใช่ไหม <c oughs> ไปสําคัญว่าเรากับรูปเป็นอันเดียวกันไปสําคัญว่าเรากับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอันเดียวกันเหมือนเปลวไฟกับแสงสว่าง นี่สาคัญผิดอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาทิฏฐินี่มี่เขาเฐานอันนี้ก็เรื่อฐานมิจฉาทิฏฐิฐานเข้าใจผิดแล้วคิดอย่างนั้นจริงไหมไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นะจะได้รู้ว่านี่คือสักยะทิฏฐินี่คืออัตตาทิฏฐิอันนี้คือมิจฉาทิฏฐิอันนี้คือรกชัดคือทิฏฐิกังดานคือทิฏฐิลูกศรคือทิฏฐิสังโยชน์ก็คือทิฏฐิเครื่องร้อยรัดก็คือทิฏฐิอนุสัยก็คือทิฏฐิใช่ไหม เหวียงคือทิฏฐิเนี่ยมันยัจะกลายเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไปเข้าใจผิดอยู่เงี้ยนะไอ้คำว่าเราในที่นี้มันเป็นตัวทิฏฐิ น, นะเวทนาเนี่ยมีอยู่จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารนะวิญญาณมีอยู่จริงแต่เราไม่มีอยู่จริงความสําคัญมั่หมายว่าเรานะ่ยมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมความสําคัญผิดทั้งหลายนะ่ยไม่มีอยู่จริงหรอกแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่จริงไหมอย่าไปสถาปนาเราขึ้นมาเนะี่ ถ้าสถาปนาเราขึ้นมาเบีเสร็จเนี่ยก็แปลว่ามันมีซ้อนกันอยู่แล้วระหว่างเรากับรูปเรากับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เข้าใจยังนเดี๋นี้เอาเข้าใจฐานนี้ก่อนใช่ ไ, ไหมนะเข้าน่ะเข้าเพราะมันไป ม, มีเราขึ้นมาเนี่ยพระรูปนั้นเด่นชัดขึ้นมารูปนั้นก็คือเราเอาไปเพ่งอะไรขึ้นมาไปเพ่งดินขึ้นมาทําดินให้เป็นให้ใ ห, ให้เป็นปฏิภาควณิมิตขึ้นมามันก็คือเราอะไปเพ่งน้ําให้เป็นปฏิภาควณิมิตกันน้ําก็คือเรา เป็นเ่งไฟเป็นปฏิภาคคณิตไฟก็คือเราจะไปเข้าใจแบบนี้มันพีดหรือว่าพิงโลพิงลมไม่เป็นปฏิภาคคนิมิตขึ้นมาก็เป็นเราใช่ไหมหนักเข้าหนัเข้าเนยถ้ารายละเอียดขึ้นมาไปจับว่าผมเป็นเราขนก็คือเราเล็บฟันหนังเนี้ยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับทั้งไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หารเก่ามันสมองดีเสเลดหนองเลือดเหนือเป็นต้นเหล่านี้ยกับเรามันเลยเป็นอันเดียวกันหมดเลยมองเห็นอย่า ถามว่าฐานนี้ฐานได้ยังเนี่ยใช่ไหมอันนี้วันที่สองใช่ไหมตรงนี้มันจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิฏฐิตรงนี้มันคือความเข้าใจผิดแล้วมันพิสดาร น, นะไอ้ที่ดูเหมือนรู้เนี่ยดูเหมือนเข้าใจเนี่ยเแล้วก็แวบเข้ามาเห็นไหมมันก็โพไว้เห็นอยู่เรื่อยนี่แหละสังเกตุไหมโพก็อยู่ตลอดเวลาเนี่นี่คือทิฏฐิด้วยการที่เราไม่หมั่นมนติ ก, การกันให้รอบครอบอยู่จะเป็นโทษนี่นะ นี่มันก็เลยไปเข้าใจผิดอย่างนี้ก็รูปคำคือนถือผิดทิศทีนี่ปัญหาก็คือบอกว่าปฏิวียนใดเราก็นั้นเราก็อันใดปฏิวีก็นั้นทิศทีคือความรูปคำด้วยความถือผิดนี่นะทิศทีไม่ใช่วัตถุใช่ไหมวัตถุก็ไม่ใช่ทิศทีทิศทีเป็นอย่างหนึ่งไหมวัตถุเป็นอย่างหนึ่งไหมทิศทีและวัตถุนี้เป็นอัตตานุทิศทีที่หนึ่งชื่อว่ามีรูปเป็นวัตถุทิศทีนี่เป็นอย่างหนึ่งหรือเปล่าไอ้วัตถุเกี่ยวกันในเรื่องของรูปนี่เป็นอย่่างงหนึีอา เขาละอย่างกันไว้ทิถีกับรูปเนี่ยทิฐีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทิถีเป็นเจตสิกเป็นมิจฉาทิถีเกิดร่วมกับโลภะมันไปยึดมั่นว่ารูปนะไปยึดนามยึดรูปอยู่ไหมไปยึดอะไรไปสําคัญว่าเป็นตัวเขาไอตัวทิถีเนี่ยไปสําคัญเป็นตัวเขาเองเลยทิฐีก็อุบลโลกขึ้นมาเป็นเราแต่ที่ทิถีเนี่ยไม่ใช่เรามันคือทิฐีมันคือสภาว่าทำอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละมันเกิดร่วมกับโลภะเกิดร่วมกับมานะเกิดร่วมกับเจตสิกการทำอื่นๆ แล้วกเกิดจากเหตุปัจจัยตรงนี้เขาให้วิจัยทีิถีตัวนี้ตัวทีิถีตัวนี้ที่วิจัยอะ่ะให้ไปสังเกต ด, ดูในจุดเชื่อมโยงในไม้จัตตารีสกัดสูตรท่านบอกว่าให้วิจัยโดยโดยอะไรโดยปัจจารลักษณะและสามัญลักษณะแต่ท่านบอกในนั้นบอกสามัญลักษณะต้องเข้าใจต้องเข้าใจปัจจิตาก่อนลักษลักษณะรักษณะประจุประถางประทัดฐานของทิฐีใช่ไหมว่าทิถีก็มีเซลล์ลักษณะเขาคืสาอสภาพที่ว่ามีสภาวะในการถือผิดไหมมีการถือผิด อากสภาว่าตามบาลเปจริงเป็นลักษณะของเขาเขาต้องถือผิดถ้าไม่ยึดถือผิดไม่เรียกทิฏฐิแต่ทิฏฐิเขาต้องมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเขาจะต้องเขาจะต้องไปยึดผิดแล้วก็จะต้องไปเห็นผิดนี่ก็เป็นงี้ฉะนั้นทิฏฐิเอามาวิจัยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ตัวอะไรไปวิจัยสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติใช่ไหมสามตัวเนี่ยสัมมาทิฏฐิไปวิจัยดูปัจจักรลักษณะขเขาให้ชัด ในขณะที <coach> ่ไปวิจัยอย่างนั้นตัวนั้นสมาธิถี่เกิดเพราะสมาธิถี่เกิดก็ไปแวดล้อมสมาธิถี่ไว้เพียรพยายามจะเข้าถึงสมาธิเพียรสติก็ระลึกเพื่อจะเข้าถึงสมาธิเพื่อจะละมิจฉาทิติทั้งทั้งทั้คือวิริยะก็เพียรละมิจฉาทิติสติก็เพียรระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิติว่าเข้าถึงสมาธิเหมือนกันสมาธิสมาวิมะสมาสติก็แวดล้อมสมาธิไว้ขยายวงของสมาธิให้กว้างขึ้นขยายยังไงเอ้า มีสมาธิถี่ในรูปหรือยังถ้าชัดเจนเบ็ดเสร็จแล้วก็ไปเวทนาไปสัญญาไปสังขารไปวิญญาณเอาหมดหรือยังเอาไปจักรูประสาทไปตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วธรรมาลมไปวิจัยไปเรื่อยๆต้องขยายวงของทิถีอ่ออกไปเพราะมันยังมืดมันยังไม่เคยทําปริญญาเรื่องเหล่านี้เลยเขาทําอย่างนี้ไม่ใช่ใช้ตัวปัญญาอย่างเดียวนะใช้ความเพียรด้วยใช้สติด้วยก็ไปวิจัยฮไปเรื่อยๆเขาจะไ้อย่างเดี๋ยเนี้ มองเห็นไหมมองเห็นรูทางของสมาธิไหลๆหรเลยยังก็ทําอย่างนี้แต่เราขี้เกียจกันไม่ทําไม่ยอมทํากันใช่ไหมตอนนี้เห็นทิศเห็นทางแล้วไปทําสำไปวิจัยถามว่านั่งวิจัยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเราจะเข้าใจพระธรรมของพระธเจ้าไหมใช่ไหมนั่งวิจัยไปสินอนก็ได้แต่ยหลับเห็นไหมพรม ตรงนี้ถึงบอกไงบอกนี่แหละที่ผมบอกว่ามีรูปเป็นวัตถุอัตานุทิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัตินะบุรุษบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอัตานุทิฏฐินี้ย่อมมีคติเป็นสองสัตว์นโลกกับสัตว์ในจารย์ไปดิสมาทานก็วไวจะ้สมใจใช่ไหมได้คติสองแต่ในนี้เขาไม่บอกไว้าามาไปเจออะไรที่มีคติเป็นสองแลยเละสมาทานวิชาทิฏฐิเนี่ยไอสิ่งที่เรา สิ่งที่เรายึดตัวันนี้ไม่ได้หรอกจะไปได้ก็ติสองคือนั่นแหละสัตว์นรกกับสัตว์เดรัจฉานฉันวนั้นนี่พุทธโพจน์แต่นี้นี้ไม่กล่าวเลยนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสังโยชน์เป็นยติดตอนนี้ก็ไปไล่ไปอาโปนะปุรุชนย่อมเห็นรูปด้วยความเป็นตนอย่างลรไอะ้อีกข้อนี้ตัวนี้เข้าใจนะนี่ก็ไปไล่ไปตามลําดับไปไล่ไปปัตวียาโปเตโชวาโยเนาะ ไปได้ไปอย่างนั้นนี่ยนะปุถุชนย่อมเห็นปุถุชนย่อมเห็นตนว่ามีรูปเนาะย่อมเห็นตนว่ามีรูปเมื่อกี้เห็นปุถุชนย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนใช่ไหมคือย่อมเห็นปฐวีธาตุโดยความเป็นตนคือย่อมเห็นปฐวีธาตุและตนน่ยไม่เป็นสองนั้นว่าไปแล้วเนาะต่อไปก็คือย่อมเห็นตนว่ามีรูปเห็นเห็นอะไรดิเห็นตนว่ามีรูปนี่ไปเห็นอะไรเห็นเวทนาสัญญาสังขามนิญย์ยานโดยความเป็นตน นี่ท่านแสดงอีกมุมเลยเนะ่ยเขามีความแบบนี้แหละเป็นตัวเป็นตนเราแต่ตัวตนของเรานี้มีรูปมีรูปด้วยรูปนี้ใช่ไหมเอาเวทนาสัญญาสังขารมายึดโูกอีกทีเห็นรูปด้วยความเป็นเออเยอะๆเพื่อชวนย่อมเห็นตนเห็นตนว่ามีรูปเห็นเวทนาว่ามีรูปเห็นสัญญาว่ามีรูปเห็นสังขารว่ามีรูปเห็นวิญญาณว่ามีรูปเนี่ยท่านไตรบาล ใ, ในยะนี้มองชัดขึ้น ก็หมายความบอกว่าย่อมเห็นอตัวเวทนาเวทนามนเกิดร่วมกับทิถีใช่ไหมทิถีก็ไปยึดอวว่าตัวเวทนาเนี่ยมันไม่เนีตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวนี้เขามีความเห็นว่านี้แหละเป็นเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ตัวตนของเรานี่มีรูปโดยรูปนี้มีรูปโดยรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนมันมีรูปเปรียบเสมือนต้นไม้มีเงา มูรดก็พูดถึงต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ต้นไม้นี้เงาต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาเป็นอย่างหนึ่งแต่ต้นไม้นี้มีเงาด้วยเงานี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนว่ามีเห็นต้นไม้ว่ามีเงาชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างวันนี้แลเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้มีรูปด้วยรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนว่ามีรูป ทิฏฐิคือความรูปคำด้วยความถือผิดทิฏฐิไม่ใช่วัตถุนะวัตถุเขาไม่ใช่ทิฏิที่ฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่ประการต่อไปปุรุชนย่อมเห็นรูปในตนย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังกายนิ ญ, ญญาด้วยความเป็นตนเขามีความเห็นบอกว่านี่แหละเป็นตัวเป็นตนในตัวตนนี้มีรูปเช่นนี้ชื่อว่าย่อมเห็นรูปในตนอันนี้มีรูปเช่นนี้เนี่ย เช่นปะทวีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเปรียบเสมือนดอกไม้มีกลิ่นหอมบุรุษพูดถึงดอกไม้นั้นอย่างนี้นี่ดอกไม้นี่กลิ่นหอมของดอกไม้เป็นอย่างหนึ่งกลิ่นหอมก็เป็นอย่างหนึ่งแต่กลิ่นหอมนั้นก็แลอยู่ในดอกไม้นี้แหละจะเห็นกลิ่นของดอกไม้ฉันใดบุคคลบางคนนี่ก็ฉะนั้นเหมือนกันก็เห็นละลายก็เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารวิญญาณเดียวกันเป็นตนเขามีความเป็นนี้แหละเป็นตัวเป็นตนของเรา ตัวตนเนี่ยมีรูปเช่นนี้ยากไหมเดี๋ยวจะไปคายสลให้ฟังอีกทีเนาะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีนี่ฟังเป็นตนไปก่อนเนี่ยบุุชนย่อมเห็นตนในรูปอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญาณในความเป็นตนเขามีความเห็นว่านี้แหลเป็นตัวเป็นตนแต่ตัวตนเนี่ยอยู่ในรูปนี้ ไอ้ตัวตนไปสิงอยู่ในรูปแล้วแต่นี่เนาะตัวตนเนี่ยเพราเห็นตนเห็นตนในรูปไงว่าอยู่ในรูปนี่แหละว่าตัวตนในรูปเนี้ยเปรียบเสมือนแก้วมณีที่ใส่ไว้ในหีบนี่ชัดนะบุรุษพึงพูดถึงแก้วมณีอย่างนี้ว่านี้แก้วมณีนี้หีบแล้วก็แก้วมณีเป็นอย่างหนึ่งหีบเป็นอย่างหนึ่งตรงนี้มันชัดนะจริงๆนะถามว่าหีบเป็นอย่างหนึ่งไหมแก้วมณีเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหม เวทนาสัญญาสังขารมิยานเป็นอย่างหนึ่งไหมรูปเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมแสดงเวทนาสัญญาสังขารมิยาณใส่ลงในรูปใช่ไหมเหตุไปจนอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลยแม้แต่จริงๆคนไปเข้าใจแบบนี้อะมันเหมือนหีบอ่ะหีบเหมือนรูปไอเวทนาสัญญาสังขารมิยานเหมือนกับแก้วมณีที่ใส่ไว้ในหีบเรากคิกว่าหมูมันมั น, ม, นมันเป็นตัวเปนว็นตนอยู่ใช่ไหมมันเป็นสิงอยู่ในโลกอ่ะเป็นสำคัญอย่างนี้เลยเอาครใครคิดแบบนี้ไหม เคยจะมาเดินไปสิงตรงไหนเดี๋ยวไปผ่าดูเลยยุ่งเลยนี่นี่เห็นผิดนะเพราะจริงๆแล้วเขาเกิดดับและที่ว่าอาศัยอาศัยเขาก็ไม่ได้ไปอาศัยกันโดยการไปสิงอยู่ด้วยตัวตนมันจับได้ที่ไหนเนาะมันเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งแม้รูปและนามต่งตางๆเหล่านี้โอ้โหนขนาดนั้นเลเนี่ยแล้วใครจะไปเข้าใจใช่ไหมขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่สัร์ปัญญาญาณนี่ยจะไปเข้าใจไหมเนี่ยเราจะไปเข้าใจยังไงบุตรชนที่ไม่ได้สดับเลยแล้วหมดสิทธ์เข้าใจเลยเรื่องตรนี้ใช่ไหมที่จริงทั้งสองอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยอย่าอย่าลืมคำว่าปัจจัยเนี่ยอย่าลืมคำว่าเยปัจจัยงั้นล่วงเลยงานเราจะอธิบายเรื่องที่4เนี่ยล่วงทันทีนี่เป็นอย่างงี้งั้นเวลาจะอธิบายเรื่องนี้ต้องอธิบายปัญยาการ ก็ต้องอธิบายกฏิจจ์ด้วยซ้ำไปตรงเนี้ยไม่ใช่อธิบายแค่อย่างนี้อย่างเดียวต้องเชื่อมโยงปฏิจจ์เขาเห็นว่าว่าทิฏฐิเนเกิดยังไงมีอะไรเป็นปัจจัยเป็นต้น อ, อันนี้ท่านอธิบายว่าชาัดว่าแก้วมณีอนน่ะเหมือนกับกลิกก่นดอกไม้กับดอกไม้ใช่ไหมคนละอย่างคนละอย่างเลยเนี่ยอะไรเนะี่ย แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารมียาดูความเป็นตนเขามีความเห็นว่านี้เป็นตัวเป็นตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้มีอยู่ในรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนในรูปเห็นตนในรูปเนะี่ยไปเห็นว่ามันสิงอยู่ในรูปนะั้นแต่ตัวตนของเรานี้อยู่ในรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตอนอยู่ในรูปทิฏฐิคือความรูปคําด้วยการถือผิดทิฏฐิก็ไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิ priests, ทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตตาโนทิฏฐิที่สี่ 4, ซึ่งมีรูปเป็นรูปเนี่ยเป็นเป็นวัตถุอัตตาโนทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิเนาะปุรุชนย่อมเห็นตนในรูปอย่างนี้เอาต่อไปก็คือปุรุชนย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตนอย่างไรนี่ว่าเวทนาเวทนาโมหมุนทีิฏฐิเอาเห็นเวต่อไปไม่ใช่ไปว่ารูปแล้วแต่นี้เอาเห็นตนในเวทนาอย่างไรพวกนี้เห็นจากขู่สัมผัสสัจชาเวทนาเป็นต้น เห็นเวทนาทางทวานตาเวทนาทางตวารหูทางตวารยมูกทางตวารลิ้นทวารคลายทวารใจทำเวทนาเกิดทุกทางทางตาหูยมูกลิ้นกายใจเกิดหมดไหมเนี่ยถ้าเกิดทางใจก็เรียกมโนสมบัติสจาวเวทนาแล้วก็ตนเนี่ยไม่เป็นสองเห็นอย่างนั้นเลยอ่ะไปเห็นได้เวทนากับตนเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยไม่ว่าจะเวทนาจะเกิดทางตาทางหูทางยมุกด้วยพวกนี้เลยมากก็ไม่ค่อยแยกนะพวกที่สัคัญผิดเนี่ย เขาแยกไม่ถ right. right. well, ูกหรอกแยกไม่ค่ยถูกหรอกแต่พอแยกแยกไปออกมาจริงๆเขาก็ยังไปเห็นว่าเป็นเป็นตัวเขาเลยใชเช่นว่าเขาเห็นพวกเขาสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยตัวเรานี่แหละสุขทุกข์และเฉยๆจะใครใช่ไหมไอเจ็บปวดก็เราสุขก็เราเฉยๆก็เรามันอันเดียวกันเลยอะไม่เราปวดหัวปวดหัวไม่ใช่เราแตวหัวพวกไอหัวนี่แหละเใช่ไหม แม้ทางตะวันหูใช่ไห ม, มโสตสมัมผัสชาเวทนาเนี่ยมันไปยึดไหมมันเข้าใจผิดว่าตัวเวทนามเราเวทนาทางตะวานหูเนี่ย <c oughs> เวทนาไม่เคยไปประกาศเไ <c oughs> อ้ต้นทิศที่เนี่ยเที่ยวไปประกาศใช่ไหมพราเป็นเราทิศทีเนี่ยเขาเขามีหน้าที่อย่างเดียวได้แท้นะทายัางไงไปลรคำให้มันผิดเขาไว้ไปปิดบังให้มันผิดเขาไว้ ความจริงเป็นอีกอย่างาก็กระเ้ให้เราเห็นอีกอย่างน่เกลียดไหมงั้นต้องลาเสียต้องลาเสีย <c oughs> ใช่อะไรล่ะอ๋ อ, อยังไม่ได้สโสดาบดิมักเอาอะไรลาก่อน <c oughs> อวิปัสนาวิปัสนามีอะไรเป็นประทาฐาน <c oughs> ายังไงยังเขาตอบไม่เคถูกเลยสมาธิอสมาธิมีอะไรเป็นประทาฐาน มีสุขมีปัสสัธิใช่ไหมมีปีติมีปลาโมดแล้วก็มีศีลเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องรู้ว่าไม่จะอยู่ๆแล้วอสมาธิจะเกิดอยู่ๆอุ่ปัญญาจะเกิดแล้ ว, วการฟังเนี่ยทำไม่เข้าใจตรงนี้นะแล้วี่จริงถ้าถ้ า, ถ, าถ้าศึกษาต้องเอาเอามาวิจัยอย่างนี้ถึงจะเข้าใจถ้างนี้จะเริ่มมองเห็นกว้างขึ้นไหมเริ่ม เ, เข้าใจมิจฉาทิ่ฐิมากขึ้นเนี่ย นี้ประการต่อไปก็คือว่าเปรียบเสมือนปัททิบน้ํามันนะกำลังลุกกําลังลุกโรลงอยู่เนี่บุคคลก็เห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็นนั้นแสงสว่างใดเปลวไฟก็นั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เห็นนั่นแหละเวทนาทางตาวานตาหัวจมวมกลิ้นกายใจโดยความเป็นต้นเห็นเวทนาทางตาหัวจหมวมกลิ้นกายใจและตนไม่เป็นสองเราอันใด นะเราอันใดกับเวทานาก่อนนั้นเนีลยทิฏฐิคือความรูปคำคือความถือผิดเนี่ยทิฏฐิใช่วัตถุไหมทิฏฐิอะไรคือวัตถนะุทิฏฐิใช่ไหมทิฏฐิกับวัตถุเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมวัตถุหมายถึงว่าสิ่งที่ทิฏฐิไปรูปคำอะ่ะหรือสิ่งที่ทิฏฐิไปถือเอาอะ่ะทิฏฐิมันถือได้เยอะมากเอาเีง นี่มองมาดีนะเนี่ยเนี่ยหนังสือเนี่ยพอมองมาปุป๊บจะมองด้วยทิศถีปุ๊บเนี่ยมันจะมองด้วยความเิ็นผิดเลยเขียนเป็นหนังสือไปได้เห็นไหมมองเป็นหนังสือร้เปล่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมันมันผิดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วในชงสา ร, รวาดเนี่ยก็อมองได้ยังไงมองดินน้ําไปลอมเป็นรูปประหลาดไหยลนะ่ะประหลาดแท้ พวกมันความจริงใช่ที่ไหนเล่าใช่ไหมเอามองดินน้ําไปลมเป็นสามีอย่างนี้มองดินน้ําไปลมเป็นพ่ออย่างนี้มองดินน้ําไปลมเป็นแม่อย่างนี้แล้วหนักไปเนี่ยมองดินน้ําไปลมเป็นเราโหนหนักเลยเลยที่มองเห็นเห็นไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่พิจารณิติใช่ไหมพิจารณิติแท้ๆเวลาใครบอกอะไรให้เรายึดอยู่นั่นนหะเขาบอกว่าแหวนก็แหวนนะใช่ไหมที่เขาพูดอย่างอยู่ไม่ยอมรับเลย เราไปบอกว่า น, นี่คือผมนะใครไปพูดอย่างอื่นไม่เชื่อนะก็มันผมเนี่ยเห็นไหมอั น, นี้ตานี่หูนี่จมูกนี่ลิ้นเนี่ยทีทีก็ไปยึดไปหมดล้ะมันไม่ยึดแค่นี่คือตาแค่นั้นนะมันของเราของเขาจริงๆเอาสิลองไปไล่ดูสมมุตินะเราบอกว่า น, นี่ลูกเราเข้าไหมเราลองไปไล่อย่างนี้นะวิธีไล่เนี่ย เขาไปดูเนี่ยที่ว่าลูกเราเนี่ยทิทีอ้านั่งคุยกับทิทีดูเนี่ยตาของเขาเห็นไหมเห็นไหมถ้าเป็นลูกเราเนี่ยตาตาตาเนี่ก็เป็นตาของเราเลยนะนตาของเขาก็เป็นตาของเราเลยนะหูของเขาก็เป็นหูของเราจมูกปากลิ้นไล่ไปผมขนเล็บฟันเนี่ยไล่ไปที่ไล่ทุกชี้นในตัวเขาให้ทิทีมันเที่ยวเที่ยวดูดี ให้มันยอมรับให้หมดมันจะได้ดูวอ๋อแหมมันไปยึดจนมันมันคล้ายๆมันมั่วหมดแล้วที่ถีมันเข้าไปลูกคําไว้หมดแล้วปัญญาไม่เคยทํางานเลยแล้วไปเข้าใจเป็นปัญญากันอยู่นั่นแหละใช่ไหมเรื่องไม่ได้นั่งคิดแล้วตรึกวิจัยดูสัทีเนี่ยถ้าวิจัยจริงๆจะเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอก ให้สังเกตตัวนะว่ามหาพุทธมหาพุทธรูปอันนี้เราเก่งใหแต่มหาพุทธรูปนี้เราไม่เก่งใหญใช่ไหมกันเนี่ยมหาพุทธรูปที่นั่งๆอย่างนี้ยเรามีความเก่งใจมหาพุทธรูปไม่เท่ากันแล้วเรามีความเออเอเรามีเมตตาต่อมหาพุทธรูปนี้ก็ไม่เท่ากันเรามีกรุณาต่อมหาพุทธรูปเหลนี้ก็ไม่เท่ากันเรามีมุทิตาต่อมหาพุทธรูปเหลนี้ก็ไม่เท่ากันเห็นไหมนี่นี่ด้วความที่ทิฏฐิมันไปจัดสรรไว้ให้ เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคยวิจัยกันเลยอะว่านี่เป็นความเห็นแบบมิยฉาทิฏฐินะนี่เป็นสมาธิที่นี่ตมันะเป็นนั่งวิจัยด้วยทีนั่งคิดด้วยทีเราจะเห็นชัดเลยว่าไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐินี่ยมันทํางานทุกทุกขนะทุกขนาดจิตโดยส่วนใหญ่มันก็เข้ามายึดติดทุกหมดแล้วแล้วพอคุยอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไปนั่งของ่อมเพราะหมายว่าสิ่งที่มันยึดไว้อีกเยอะ ที่เรายังไม่เคยไปยไปกระจายให้เห็นหน้าหเห็นตาก็เลยมันอีกเยอะนั้นคนที่มีนิฉาทิฏฐิพิสดารทั้งหลายเนี่ยไปวิจัยเยอะ ๆ, ๆก็ไปทาําเมาเราประโยคน้า ว, วิปลาดมาตั้งเยอะแยะก็เราวิปลาดมานสิการมาอย่างยาวนานแล้วยังแล้วเรามายึดอะไรเนี่ยมาระยะหลังเนี่ยบางทีามา แไปคุยถ่ายโยมอะไรต่างที่เป็นญาติๆไปพอฟังๆไอ้มาเดินหนีปุ๊บเลยนยไม่ให้เหตุผลแล้วเดินหนีแล้วรู้แล้ววิปริตมักสิการเยอะแล้วมันไม่ค่อยอยากฟังอะไรเงี้ยแต่ยังพวกเราก็ทำอย่างนั้มาไม่ได้วันนี้มามีเพราะเป็นพระมาทำไดเดินหนีปุ๊บๆมีปัญหาเพาเรารู้แล้วโอ้โหนี่มือเทธรรมดาความเป็นตัวเป็นตนเต็มเลยหมด ก็ขนาดนะมีโยมอยู่ท่านหนึ่งท่านเอามาบวชใหม่ๆเลยก็พอมาเรียนเรื่องทิฏฐินี่มันเกือบยี่สิบปีแล้วท่านมาเขาวิริยบัติก็เอฝนก็ตกเอาเป็นตัวถวายมาทั้งทั้งทั้งทั้งเสาท่านมากรับรับเสร็จอะไรมาเดินก็มันเหมือนจะล้มมันีโอ้ยแกรองสเสียมะท่านระวังดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกงอกหมด ไอ้มาก็ยืนไอ้มาทหันกลับไปยยอมนี่ถวายยังถวายแล้วเอ้าอ้มาจะล้มมันเรื่องอ้มาอ้มาจะเจ็จะจะไหมจะเจ็ดจนทิ้งก็ไมก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไม่ได้ฉันไปย้อมถวายยังว่าถวายแล้วถวายให้แล้วทําไมห่วงให้แล้วยังให้ให้แน่นะ แน่งั้นมาโยนทิ้งเนี่อุ้ยท่านทํางั้นธรรมถามถามาให้หรือยังให้แล้วงั้นอะไมาโอนทิ้งเนีอุยไม่ได้ท่านให้หรือยังงั้นอาถามมือแกโยมมาเให้แล้วให้จริงเลยเนี่ยจริงจรแสดงเป็นข้อธรรมาใช่ไหมแล้วยกตัดความผูกพันกับธรมาได้ไหมอ ย, ย่าอย่ามายึดตรงนี้ได้ไหมว่าเป็นของโยมหนึ่งให้อนามายึดได้ไหมว่านออี้มีพ่อธรรมาก็ายอยากให้ท่านได้ฉัน แล้วย่างงนั่นแหละไอ้ความอยากมันเป็นโลภะนั่นเป็นความเห็นผิดแล้วคนนา่มองว่าคุยกับท่านปวดหัวกพราะบอกไอ้อนาตมาก็ปวดหัวนี่คยก็โยมเนี่ยเขาเห็นเห็นเลยนะนี่ยประเพจอนาตมาก็จะโยนทิ้งเขาก็เคยก็จะปวดอนามาก็จะส่ ง, งังินโยมมาไปเขาบอกว่าให้ตายแล้วไม่ออกไม่ได้อาให้จริงหรือเปล่าจริงงั้นนาตมาเททิ้งนะ วุ้ยท่านทย่าทอย่างนั้นเขาใหญ่ใช่ไหมเนี่ยที่ฐีมันยึดทันทีเลยมาให้ป๊องยึดทันทีเลยเมื่อก่อนนี่นะไม่ต้องอะไรเราเมื่อวานก่อนเ่อวันก่อนก่อนี่ยยอมเขามานั่งเขาบอกว่าเขาไปขอใครเลยนะเรายอมไปทําบุญก็ยอมศึกษาไปทำกันทั้งนั้นทำบุญกันดี่ว่าอยากแดงเค่เพหมอนคอยจ้องพระฉายในใจของเราบ้างโอ้ยจ้อ พวกองเราไปกินแล้วกินเลยวเข้าใจไหมมันถอดไม่ได้ทำไงล้าจิศที่มันยึดแล้วมันเข้าไปยึดแล้วเออมันอธิบายกันยัอธิบายกันไปเถอะผมรู้จะทำยังไงนีาเป็นโลกเต็มไปหมดเลย ไ ม, ไม่ไม่ใช่ก็ไม่ได้ย้อมจะโกรธ้งแต่างั่นสุอ๋อใช่ยังงั้นดีก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่แต่ให้เป็นไปกับปัญญาให้เป็นไปกับศรัทธาที่แทจ้จริงนี่ยนะชัดเลยอันนี้หมายถึงโดยทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเท่าไหร่หรือศึกษ า, าได้แล้วจะเริ่มสังเกตเนี่ยใช่ไหมไม่ได้สังเกตใจว่าออจริงๆเป็นยางไง เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องสังเกตต้องมานัสิกานต้องร่ควนให้ดีแล้วนั้นเราไม่รู้จากหน้าตามม่หรอกอันนี้มันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยที่อามาพูดเนี่ยภาคที่ต้องอามาใคร่ควนกันไปพิจารณากันถ้าจะอธิบายก็ว่าไปมันกระจกไม่มีอะไรหรอกให้มาเคยอธิบายเยอะแล้วเหนื่อยแต่ว่าตรงนี้ต้องการพูดให้เข้าใจว่าจริงๆคื อ, อยังไงมันเกิดขึ้นยังไงให้พิจรนารณาอยู่ว่าเออเป็นอย่างนี้ไหมถ้าความคิดอย่างนี้เราถอดยีได้ เชื่อไหมก็ย่อก็แต่เชื่อไมถ้าหากว่ามีใครรอกของวัดถวายแล้วโยนโครมทิ้งเนี่ยโยมน่าจะไม่มาเลยออกท่าอะไรก็ไม่รู้โยนบอกพอพอถวายปุ๊บมีโยนกับข้าวของโยมทิ้งต่อหน้าต่ตาเลย ในะตรงนี้ก็คือนี่แหละคือว่าความรูปขำแต่จริงๆนี่ที่พูดให้ฟังที่พระท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกฉะนั้นเขารู้จักที่จะรักษาศรัทธาของโยมแต่ว่าพูดให้ฟังในกรณีที่ว่าเออมันยิงยึดหรือว่าเป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับศรัทธาปุถุชนเป็นอย่างนี้แหละมีอัตานุทิฐิคือมีมีรูปเป็นวัตถุบ้างนะประการต่อมาคือปุถุชนเห็นเวทนาดูความเป็นตนอย่างไร เออไม่ใช่ผู้ดีชนย่อเห็นว่าตนมีเวทนาอย่างไรเห็นตนว่ามีเวทนาอย่างไรบคุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นสัญญาสังขารวิญญาณรูปโดยความเป็นตนใช่ไหมเอาสัญญาสังขารวิญญาณรูปโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างนี้แล้วว่านี่แหละเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ว่าตัวตนของเรานี้มีเวทนาด้วยเวทนานี้ ชื่อว่าย่อมเห็นตน ม, นมีเวทนาเปรียบเทเหมือนต้นไม้มีเงาบุรุษพึงพูดถึงต้นไม้อย่างนี้ว่านี้ต้นไม้นี้เงาของต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าต้นไม้นี้มีเงาด้วยเงานี้ชื่อว่าย่อมเห็นต้นไม้ว่ามีเงาชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเห็นรูปโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างวันนี้แลเป็นตัวเป็นตั ว, เตวเอเวทนาเป็ตัวตั้งแลว้วเอไปหมุนเอาไปเป็นไปกระทบกันกับอารมณ์ ท่เืออีนะวัตถุที่เหลืออสี่อันนี้จริงๆเขาไล่ไปเยอะเลยนะไล่ไปจนครบวงจรของเขาเนะี่ยไม่แช่ที่ทีเนี่ยนะโอ้ไล่ไปเยอะเลยทีนี้ก็จะจะไม่ขยายตรงนี้แล้วเนาะมันจะเยอะไปนะนี่พอจะเข้าใจแบบคร่าวๆแล้วนะทีนี้ประการต่อมาก็คือประการต่อมาก็คือในที่นี้เป็น เป็นทิฏฐิเนี่ยเป็นทิฏฐิและทิฏฐิอันผูกพันด้วยมานะว่าเราเนี่ยทิฏฐิผูกพันด้วยมานะว่าตาของเราทิฏฐิผูกพันด้วยมานะว่าว่าเป็นเราเนี่ยถ้าฉบับพมากา็ว่าเป็นเราคือมีความลูกคำด้วยกันถือผิดว่าตาเป็นเราทิฏฐิผูกพันด้วยมานะว่าว่าของเราของเราก็คือมีความลูกคำด้วยถือผิดว่า ตาของเราตาเป็นเรากับตาของเราเนะผูกพันด้วยมาน้าว่าว่าของเรากับผูกพันด้วยมานะว่าเป็นเรามีสองส่วนนะผูกพันด้วยตาเป็นเรากับผูกพันด้วยของเราเหมือนกันไหมตาเป็นเรากับตาของเราเหมือนไงถ้าตาเป็นเรานี่ไปผูกพันเอาตัวตาเลยว่าเป็นเป็นเรากับตาไมโครอนกันเลย แต่ถาว่าตาของเรานี่ยไปยึดไปยึดตาว่าเป็นของของเราเนี่ยเนี่ยไปผูกพันผูก พ, พันด้วยมานนะไม่มาน้าที่เกิดร่วมกับเอามาน้าเนี่ยนะมาน้านี่จริงๆนะเขาก็นั่นแหละปนเปื้อนปนเปื้นวมเรียนอยู่ด้วยกับที่ขี่นั่นแหละปุ้ดูชนไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพริยาเจ้าเป็นต้นไม่ได้รับฟังธรรมนะ ไม่รการแนะนําเป็นต้นเนี่ยย่อมเห็นรูปด้วยความเป็นตนบ้างย่อมเห็นว่าตนว่ามีรูปบ้างเห็นรูปในตนเห็นตนมีรูปบ้างเห็นเวทน า, าสัญญาสังขาวิยาณก็ในิย่าดเดียวกันก็ไล่ไปตามลําดับอีกตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆไปขยายตรงนี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปุถูกทิศทีสองอย่างคุ้มรุมแล้วเนาะ พวกนึ่งย่อมติดอยู่พวกหนึ่งย่อมแล่นเลยไปเอาแล้นี้สองส่วนอีกเลยนั่นแหละทั้งคือทิศทีที่ถือส่วนสุดว่าสัตว์โลกเบื้องหน้าแต่ตายก็ตายตายแตกเป็นต้นเหล่นี้ือพวกนี้ถือผิดเนะี่ยพวกติดกับพวกแล่นเลยเทวดาและนุษย์นะพวกหนึ่งติดอยู่อย่างไรเทวดา และมนุษย์ผู้ชอบพบยินดีในพบบันเทิงในพบจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่แห่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมในธรรมที่เราแสดงเพื่อความดับพกภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมติดอยู่อย่างนี้วันนี้ติดอยู่ด้วยอำนาจของปัญหาติดอยู่ด้วยอำนาจของกามสุขันธิการนโยมแต่ตรงนี้ท่านไม่ได้ขยายไว้มาเพิ่มนะแต่เพิ่มไม่ผิดนะอาจารย์ที่ขาดที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีก พวกติดอยู่ในภพเต็มไปด้วยนาจของตัณหาเขาจึงเรียกว่าอัดอกามาสุขาริการูโยกพวกนี้พระเจ้าแสดงธรรมไ ม, ไม่ไม่สนใจฟังเพราะเขาอะไรเพราะเขาติดอยู่ใช่ไหมพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเขาสนใจอ้าวระหว่างสนใจลูกก็สนใจพระพุทธเจ้าสนใจทรับก็บสนใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าอันไหนมีอันันไหนประทับใจกว่ากันเราไปหาพระธรรมของพระเจ้าก็ไปไปเยี่ยมลูกกันในไปบ่อย เอาไปเก็บเงี่ยเอาไปส่งลูกอ่ะเอาไปส่ลูกกัไปเอาไปศึกษาแล้วทำอันไหนใช้เวลามากน้อยกว่าล่ะโหเราอยู่ครัวพันกับเขาตลอดทูลเนี่ไงก็ไมีน้องบางทำเราคนนี้คนนี้พวกติดอยู่พวกอาสาทักอาสาทักเะนี่ยตัณหามาน้าที่ทีมันก็ดึงให้อยู่อย่างงั้นวนๆอย่างนี้ยำไมเคยเราไม่ไม่เบือ่อแล้วไหมไงโหยิงอะไรเท่า อยู่ตรงนั้นนะวนๆอยู่ตรงนั้นนะเปิดเข้าเปิดออกประตูเลยตรงนั้นตายไม่รู้กี่ไลน์แล้วนี้ที่ตรงนั้นวิ่งวนเข้าวนออวนเข้าวนออกถ้าคนตาดีก็มองว่าโอ้โหนากูนาแทะใช่ไหมพาริยาทั้งหลายก็มองโอ้ตรงนี้แล้ววิ่งเันเดือวิ่งวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าจะทําอะไรก็ไม่เลยมีสติสัมปชัญญะเลยนะจะเห็นไหม ส ม, มาธิถิก็ไม่ทํางานส ม, มาวา ว, วายามะก็ไม่ทํางานส ม, มาสติก็ไม่ทํางานไปไหนกันไปข้างหน้าเลยอ่ะไปไม่มีปัญญาในการนําร่องเลยอะ่ะเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งเวลานอนต่างๆสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดไม่เคยกระากฏเลยอะ่ะเราไม่เคยอยู่กับพ่อธรรมเลยนะไปอยู่กับใครบ้างเรไม่รู้เป็นอย่างนั้นไหมนะชีวิตเนะี่ยแล้วมีความสุขกันดีไหมไหมก็ อ, อยู่อย่างเผ้อเลย กิเลสสมาลทั้งหลายก็กรบกวนใจลูกศรก็ปักอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็เดือดร้อนด้วยนะเดือดร้อนด้วยเนะลูกศรก็ปักเสียบอยู่นั่นเลยคือเนี่ยทิฏฐิก็ปักอยู่ในใจถอดถอดถอดทิฏฐิไม่ได้กลายเป็นทาตของทิฏฐิเล่าร้อนเพราะทิฏฐิกันดานเพราะทิฏฐิเขียวคือทิฏฐิตกเหียวเขาใจยังมันขึ้นไม่ได้แล้วทําไงพอ ม, มาเรียนในเรียนธรรมะก็ยังอยู่ในเหียวเรียนเนี่ต้องปรินขึ้นมาก่อน มาเรียนมื่ามมาฟินขึ้นอย่างเหียวคืทิฏฐิก่อนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมว่ายินดีในพบบันเทิงในพบจิตของเทวดาเทวดานี่กินความนิพรมด้วยนะมนุษย์เนี่ยทั้งหมดนั่นแหละก็ไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไปเพื่อความดับพบพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมไปเพื่อการดับการประพบรูประพบรู ป, ประพบ แต่สัตว์เหล่านั้นยินดีในรูปประพบการมปพบรูปประพบแล้วรูปประพบมันตรงกันง้างมนะพอไปยินดีมันมีตัวโลภะที่ถี่ก็ไปยึดในภพมันยึดในภพอยู่พอยึดในภพก็ยึดในตาหูจมูกเลี้ยงกายจันน้องนี่จะฟังทำกันที่ไหนนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี้ยไม่น้องฟังหรอกกลุ่มที่มีอาสาท้ายเยอะๆเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวกับในเรื่องของมีการมสุกการียุโยกนี้เขาก็ามัวประชุมบ้าง สังสัรคบ้างใช่ไหมกินเลี้ยงหรือว่า ม, มีการกีฬาบางช่วงนี้ต้องไปออกกําลังกายเพได้อะาาาไรทั้งหลายเ่อไ้คามสุขใไหแล้วแล้วตรงเวลาเป๊ะเลยอ่ะไปที่ไหนเต็มไปหมดเลยนะเปลาพานั่งรถไปเนี่ยหูยมีใครรถอยู่บนยเทียอยู่ข้างถนนเต็มไปหมด าแล้วทุถวเาทอะไรกันเนี่ยมาเวียงแค่ยงินคางนเงินก็มีดนตรีแ้วดังแสียบเสบอยีนั่นอยู่แค่นั้นเขาไม่น้องที่ฟังทำทิ่ฐีแลงพระเจ้าแสดงธรรมมาตั้งนานสนใจที่กลุ่มเป็นกิจกรรมที่กว้างขวางมากตอนเห็นนโยบายเลยรบ้าะน่าะนโยบายของมิจฉาทิ่ฐใหญ่วางนโยบายออกมาโอ้ตายหมดเธ่ากังกออกมาลงมาด้วยนะโอ้ เขเรียกนโยบายกระจายมิจฉาทิถีแห่งชาติกระจายหนีพูดอย่างนี้ให้ทันทำไมเขาใช่ไหมแล้วจริงไหมล่ะจริงไม่จริงนี่ไม่ได้กระทบตนกระทบกันยกให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อเพื่ออะเพื่อทําให้มิจฉาทิถีนั้นแข็งแรงมากขึ้นเพื่อจะให้ปัญญานั้นอ่อนเองแต่ไม่ควรมีแต่ไม่ควรมีโดนทีประกอบ ให้เป็นไปเพราะว่าถ้าเป็นไปกับดนตรีประกอบมันเป็นไปกับอะไรไเอางี้นะว่าพระเนี่ยแข็งแรงนในสมัยกัมมุตตการพระท่านแข็งแรงแข็งแรงก็เดินมาและสิบหกกิโลแล้วเดินได้ไหมล่ะทำไมท่านแข็งแรงใช่ไหมท่านท่านบริหารใช่ไหมบริหารด้วยับปัญญาน่ยไปดูมีไหมล่ะมี ปัญญาในการบริหารตนเนี่ยเขาบริหารได้ปัญญาแต่เขาไม่ได้แปลว่ญญาบริหารด่ดงที่ๆเขามีก็ม่รูสติสัมปชัญญะในฐานะเจตไยคือคือคือจริงๆเวลาเวลา ม, มันมันมีไม่ใช่ไม่มีนะย้วยแต่ว่าโดยมากเนี่ยที่เราเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิเลยแล้วก็จะเป็นจะไปบอกว่ามีสติเนี่ยจะไปพูด มันพูดมาทําไมใช่ไหมเราศึกษาว่าทําแล้วเนี่ยเรักต้องรู้ลักษณะของสติก่อนที่ถ้าพูดอย่างนี้ถึงจะใช่ไม่ได้ไปเถียงอะไรกันหรอกแต่มันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสติอะไรคือมิจฉาสติอะไรคือสัมมาสติก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรสมาทิฏิอะไรคือมิจฉาทิฏฐิไม่รู้อะไรสัมมาวายมะมิจฉาวายมะไม่รู้อะไรว่าสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะไม่รู้อะไรสัมมาวจามิจฉาวจา สัมมากรรมต่ามิฉากรรมต่าสัมมาอาชีวามิฉาอาชีวะก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันจะไปมันเกิดจะรู้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ถ้าเออมาศึกษาเข้าใจชัดๆแล้วไปเดินกันได้แล้วก็ไปออกกำลังกายมันคนละเรื่องแล้วก็มีคอร์ดในการในอธิบายสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดไหมก็ไม่มีไปก็ไปนั่งพูดกันนั่นแหละถ้าอธิบายอย่างนี้ไปกันหมดมันจะไม่ตื่นเต้นอ๋อเวลามาฟังทำมันมันม่วงใช่ไหม เราก็จะเห็นชัดว่าเราเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ปีวิจาทณิธิไม่ใช่สัตว์วิเศษอะไรสัตว์บริสสัตว์โสกโปกเนี่ยใช่ไหมไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราไม่สะอาดเพราะเราอยู่มีราคะโทสะโมหะเต็มไปหมดมันต้องลุกตัวอย่างนี้เลยนะมันจะได้อ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้คือจริงๆเนะี่ยเข้าใจในกรณีที่ว่าอย่างเราศึกษาไปเราก็ได้บ้างไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าอย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะได้ ถ้าคนที่เขาไม่เคยฟังก็ทำเลยก็ไม่ได้หรอกแล้วลองดูจริงๆโดยชีวิตจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทําไมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันดังๆเป็นอย่างนั้นมันมันหยาบๆอย่างนั้นแหละเออถ้ามันเป็นกสติกกสปชัญญาถ้าบางทีโกรธกันเนียในที่ไม่ทันเนี่ยไอจังหวาไม่ทันแค่นั้นเราโกรธกันหน้าดำตาแดงใช่ไหมอธิบายก็อธิบายแบบลืมเนื้อลมตัว ไม่วาจาที่กล่าวก็ไม่ได้เป็นสมาวาิจามันมีฐานก็อกุศลเล่นเร็วจะถายแล้วก็รู้อยู่คนต้องฝึกอย่างดีแล้วเนี่ยเขาถึงจะไปอย่างนั้นได้ก็ขนาดลองคิดดูเลยพระโสดาบันบางครั้งยังนั่งร้องไห้อยู่ไหมห ล, หลานตาาหลานตายยังร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างทีค่คิดนั้นมันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนอย่างดีเลย ผานกระ บ, บวนการการไตรตรองอย่างดีเลยแล้วไม่ได้คิดอย่างเราๆที่ไปนั่งคิดคนเดียวด้วยเขาคิดแล้วก็เทียบเคียงกับพระธรรมของพระเจ้าคิดแล้วก็มีบัณฑิตคอยตรวจสอบให้เราไปนั่งคิดคนเดียวเข้าข้างตัวเอง ป, ป, ปุ๊บไปนู่และโอ้มันมองมันขาดมองมันขาดเทีย ม, มจะได้สบายใจใช่ไหมถ้างั้นก็ไปกังเลยว่าเราสงสัยมันจะใกล้ถึงใกล้ถึงกันอยู่นี่แหละเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเทียบเคียมพระเจ้าเลยพระธรรมของพระเจ้าไม่เทียบเคียงให้เรา มันเหมือนแบบทำปัญหาให้คะแนนเองให้ให้เต็มสิบเต็มร้อยใช่ไหมเหมือนวันนี้เต็มร้อยเหมือาวันนี้เต็มสิบอยู่เนี่ยเข้าใจยังทิกสูตทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมแล่นเลยไปอย่างไรมีกลุ่มแล่นเลยคือเทวดาและมนุษย์น่ะหนึ่งย่อมอึดอัดละอาเกียรตชังพบยินดีปราศจากพบว่าชาวเราเอ้ยได้ยินว่าเมือ่อใดตน แต่ตายกายแตกไปแล้วขาดศูนย์ย่อมพินาศเมื่อ น, นั้นตนเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกเพราะฉะนั้นความไม่เป็นอีกนี้ละเอียดประณีตพิกตัทั้งหลายเทวดาราตนพวกหนึ่งย่อมเล่นเลยไปอย่างนี้พวกนี้ก็พวกเห็นขาดศูนย์เห็นขาดศูนย์พวกเล่นเลยอ่ะพวกเห็นว่าเที่ยงกลุ่มกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มนี้คือกลุ่มเห็นขาดศูนย์แล้วก็เขาสอนเนะีเ่ยใช่ไหมเขาสอนเนี่ยว่า แต่เขาลังเกยียจเขาลังเกยียจมากพบเพราะว่าไม่ละเอียดไม่ประนีตเลยไม่ดีเลยเนี่ยะเพิ่งหน้าจะตายแล้วเนะี่ยไม่ไม่เป็นอีกความไม่เป็นอีกเนี่ยโอ้ยละเอียดประณีตมากเพรางั้นใช่ไหมเขายินดีเลยเนะี่ยที่เขาเห็นอย่างภิกษุทั้งหลายก็ส่วนผู้มีจักสูตรย่อมเห็นอยู่อย่างเนี่ยภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้ย่อมเห็นพูดเห็นพูดคืออะไรดีเห็นรูปเว ท, าทนาสัญญาสงสารวิญยานเนะี่ยด้วยความเป็นพูด ถ้านเห็นพูดด้วยความเป็นพูดแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายก็คือเห็นขันด้วยความเป็นขันจริงๆเห็นรูปขันเวทนาสัญญาสังขารมิญาน่ะด้วยความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญานจริงๆเลยนะถามว่าถ้าเขาเห็นอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเขาเข้าใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นวิบากเป็นผลที่เกิดจากกรรมเป็นผลที่เกิดจากตัณหาเป็นผลที่เกิดจากลวิชาเป็นต้นถ้าเขาเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเขายังจะยินดีพอใจที่จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญานอีกไหม เขาก็จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายกลุ่มเนี้ยจะปฏิบัติเพื่อเอรียนเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนดเพื่อดับดับเวลาดับผู้ตากดับพูดพตัวยนะเน่ะคือดับรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาเนี่ยทิศสุดทั้งหลายส่วนผู้มีจักสูเห็นอยู่อย่างนี้นะคนที่มีจักสูจักสูในที่นั้นคือปัญญาจักสูถ้าเขาเห็นเนี่ยก็จะเห็นอย่างนี้เราเห็นแบบนี้มั้ยวันวันเห็นแบบนี้มั้ยต่างว่าอยู่ร่างกายใจในหน้าเบื่อไม่ใช่น่าเบื่อแล้วก็รอไม่ทําอะไรนะมันมีได้กลุ่มเห็นเบื่อไม่ทําอะไรเลย น่าเบื่ออยากตายไม่อยากอยู่แล้วนี่ไม่เป็นปฏิปทาเพื่อเบื่อหน่ายเนี่ยถ้าเบื่อหน่ายจริงๆเนี่ยมันจะมีปฏิปทาเพื่อการหลีกออกโดยการประพฤติปฏิบัติโดยการขัดเกลา้าได้มีปฏิปิิทาที่เหมาะสมโดยการเจริญกายญาณุปัสสนาเวทนาจิตตาแล้วก็ะทั่งมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างนี้เขาเลยเบื่อจริงและเบื่อถูกทางและเบื่อแล้วเดินไปตามพระธรรมคาสอนแล้วไม่ประมาทไม่มัวเมาเนี่ไปแบบเนี้ยถ้าไปไงี้ใช่ทําไห้ไปไงี้ไม่ใช่หรอ ไม่เป็นหน้าบ่นไงไม่หน้าเบื่อตาก็หน้าเบื่อหูยังหมวกลิ้นใจใจก็หน้าเบื่อเบื่อเสร็จก็ไปนอนก็เห็นไหมนะเบื่อเบื่อเสร็จก็ไม่ไปเล่นความเพียรอะไรหรอกอย่างนี้ไม่ใช่เพราะมันเบื่อจริงๆเนี่ยเขาเล่งบางคนคืออายุมากๆแล้วเบื่ออยากตายพ่ออยากตายแบบนีห็นมไหมอยากตายไม่อยากอยู่เห็นไหมเพราะเขาไม่ไม่ชอบใจอารมณ์นั้นแล้วมันก็มีสองส่วนก็บางกลุ่มก็คิดว่าตายแล้วจะไปได้ไหมบางกลุ่มก็ตายแลมันจะได้หมดหมดไปได้จบๆไปเนี้ยก็อยู่แค่เนี้ย ประเภทที่นั่นแหละอะยินดีในพวกกับพวกที่เลอนะเลยไปเนหยุดอยู่กันเลยไปกลุ่มหยุดอยู่กับกลุ่มเลยท้องพวกนี้ไม่น้องฟังทำเท่าไหร่หรอกฟังพอเป็นพิธีฟังปเป็นเงินมังค่าไปฟังกับฟังฟังแบบไม่เชื่อทีนี้สถาน้อยเดี๋ยวก็สงสัยส่งใช่ไหมนั่นแหละเป็นไงทำไงเราเห็นอย่างนี้ต้องเร่งรีบไหมกลัวไม่ว่าเราจะเป็นแบบนั้นี่เราพ้นนี้ยังแบบนี้ยังไม่พน้นเคยเป็นไหมแบบนี้ แล้วจะไปเป็นอีกไหมถ้าถอดถ้าถอดทิถีไม่ได้แลจะไปเป็นแบบนี้อันนั้นมันอัฏฐาอัฏฐาที่ทำไม่เห็นนั่นทุกเรื่องที่เห็นให้คิดสองส่วนหนึ่งเคยเป็นสอนเจนสองจะต้องไปเป็นถ้ายังไม่ถอดทิถีในใจไม่ได้ถอดลูกศอนในใจออกไม่ได้ท่านคิดกันอย่างนี้ป่าญาทั้งหลายหรือคนที่ปรารถนาจะเป็นป่าญาทั้งหลายต้องคิดแบบนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็ใครลนะห่างไกลแล้วห่างไกลกับพระพุทธเจ้าเลยนีเป็นอย่างนี้เนละ ถาว่าพอศึกษาพอทำบอสรุปจุดลงอยู่างนี้ปุ๊บขึ้นมาแล้วแล้วเราวางท่าทีได้ยังยังตั้งท่าทีตั้งวิธีคิดตั้งหลักตัวเองได้ยังลำดับแรกก็คือตั้งหลักได้หรือยังแต่ก่อนมันหลักยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ตั้งได้ยังตั้งหลักได้ยังและเป้าหมายแห่ะชัดหรือยังนี่ยมันสองหลัก น, 1, น, 1, น, 1, นี่นหนึ่งตั้งหลักได้หรือยังสองเป้าหมายชัดหรือยังตอนนี้ตั้งหลักได้ยังเอหลักตั้งได้ยัง เรื่องสองก็เป้าหมายนะชัดได้อย่างตอนปัญญาเกิดก็ตั้งหลักได้ตอนทิฏฐิเกิดก็ตั้งหลักไม่ได้ <laughs> อย่างนี้ยุ่งเยอย่างนี้ยมันก็สว่างก็ไม่ลมเพลมพัดเลยใช่ไหมมันถ้าภิกษุใดเห็นพูดโดยความเป็นพูดแล้วและเห็นความเก้าร่วงซึ่งพูดแล้วนั้นโดยการน้อมไปในธรรมตาม ท, ที่เป็นจริงก็คือน้อมไปในโลกุตละตามเพื่อความหมดสิ้นแห่งาวัตถนา พิกตุนนั้นกําหนดรู้ภูธาคือกําหนดรู้รูปเวทนาสัญญาเี่ยสังขารวิญญาณเป็นผู้ปราศจากตัณหาในีพบน้อยพบใหญ่ย่อมไม่มาสู่พบใหม่เพราะความไม่มีภูธาแล้วคือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณจะกลับมาสู่พบได้ไหมเนี่ยเขาจะต้อนรับคนที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาริแน่ในพบทั้งหลายถ้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่ต้อนรับฉะนั้นต้องการดับ อย่างถาวรแล้วก็มีน้องไปอย่าน้องไปเอาพูดใหม่หรือไปเอาภูตาหรือเอาคันหใหม่บุคคลสามจำพวกมีทิฏวิบัติสามจำพวกมีทิฏวิบัติในสามจำพวกนั่นแหละเราไหนมีทิฏวิบัตเดรธีสาวกของเดรธีแล้วก็บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏอ่าเราอยู่กลุ่มไหนเราเป็นเดรธีหรือเปล่าเป็นสาวกของเดรธีหรือเปล่า เป็นบุคคลผู้มีทิฏฐิใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> บุคคลสาวชนพวกนี้เหล่านี้แหละเขาเรียกว่าเป็นมีทิฏฐิวิบัติใช่บุคคลสาวจะพวกเหล่าเนี้ยเราไหนมีทิฏฐิสมบัติเราไหนมีทิฏฐิสมบัติหตให้พระตถาคตสาวกของพระตถาคตบุคคลผู้มีสมัมมาทิฏฐิบุคคลสาวชนพวกนี้มีทิฏฐิสมบัติอา้าวเดี๋ยวดูนะว่าจะนะ เราตองนั่งเราพิจารณาดูเรามีตรงนี้ไหมนรชนเหล่าใดเป็นคนมักโกรธ เ, เป็นคนผูกโกรธนะมีความลบหลู่อัลลามกมีทิฏฐิวิบัติเจ้าเล่ห์พึงรู้จักนรชนเหล่านั้นว่าเป็นคนเลวนรชนเหล่าใดเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่คุณท่านถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์มีทิฏฐิสมบัติมีปัญญาพึงรู้จักนรชนเหล่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐ เขาบอกว่านรชนเนี่ยเป็นคนมากโกรธผูกโกรธมีความลบหลู่อัลลามกมีทิฏวิบัติเจ้าเลนนะคนเจ้าเลนมีวิญญาณเงรู้นรชนเหล่านั้นเขาเป็นคนเร็วนะนรอต้องถอนตนแล้วหรือไงต้อบอกอันนี้จับเนี่ยอันนี้ก็ไปแก้ตัวเองเมื่อกี้พูดเองอัา อไม่ไม่ทราบด้วยว่าแล้วแต่ใครคิด แ, แล้วทีนี้ทิฏฐิวิบัติกับทิฏฐิสมบนะัติในทิฏฐิวิบัติเป็นเไหนความเห็นวิบัติว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยทิฏฐิวิบัติสามเหล่านี้เดี๋ยวจะขยายให้ฟังตรงนี้นั่นของเรามีตัณหาเราเป็นนั่นนิมานะนั่นเป็นตัวตนของเรานีนทิฏฐิเออเดี๋ยวจะขยายให้ฟัง พราว่าผู้ผู้บรรยายก็ติดเดี๋ยวจะขยายไปว่ามันติดยังไงแต่ในทิฏฐิสามประการในทิฏฐิสมบัติสามประการความเป็นตัวว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคําว่าคำมีความหมายว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาเจริญอะไรเนี่ยเขามีวิปัสสนาประเภทไหนรู้ไหมนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาเจริญวิปัสสนาอะไรนั่นไม่ใช่ของเรานี่เป็น เป็นอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาหรืออนัตตานุปัสสนานั่นไม่ใช่ของเราเนี่เป็นทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นนี่ก็มีอนิจจานุปัสสนานะ่ยนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยเขามีอนัตตานุปัสสนานี่ปัญญาประเภทนี้เราไม่เคยเกิดมันก็มายึดอยู่นี้แหละฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าถ้าเรายังสงสัยตรงเนี้เพราะเราไม่มีเนี่ยไม่มีทุกขานุปัสสนาไม่มีอนิจจานุปัสสนาไม่มีอนัตตานุปัสสนา เพราะเราไม่มีปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นในความเป็นทุกข์ไม่ได้มีปัญญาที่พิจารณาเห็นในความเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้มีปัญญาที่พิจารณาเห็นในความเป็นอนัตตาเพราะมันไม่มีวิปัสสนาสามประการนี้มันก็เลยเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนของเราเขย่ายังเพราะวิปัสนายามตอนนี้ไม่เกิดไงเราก็เลยติดขัดกันอยู่ตรงนี้แหละเอ้าค่อยๆเดินไปเดินเร็วไม่ได้ทิฏฐิว่านั่นของเราทิฏฐิว่า ทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไรทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดชนิดไหนทิฏฐิว่าเราเป็นนั่นทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไหรเป็นทิฏฐิตามส่วนสุดชนิดไหนทิฏฐิว่านั่นเป็นตัวตนของเราทิฏฐิอะไรทิฏฐิเท่าไร่ทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดเท่าไหร่ทีนี้ทิฏฐิว่านั่นของเรานี่คือกลุ่มปบพันตานุทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนของอดีตเนี่นะ เป็นที่ตีิบที่ตีเรานั้นตามถือส่วนขันในอดีตนั่นของเราด้วยอำนาจของตันหาเนะี่ยโดยมา ก, ก่ป น, นั่นแหละเสียดายเสียดายรูปเวทนาสัญญาสังขาริญญาณที่มีมาในอดีตทั้งหมดเลยนะส่วนสุดในอดีตมีเท่าไหร่นในะ18ดใช่ไหมดูส8ดูส่วนสุด18ที่ในส่วนสุด18เนี่ยเาเรียกว่าปุกพันปกพันตะกับปิกาที่ีนะ ทิฏฐิที่ปาาลบเบื้องต้นเน่ยหกลุ่มมี18บยุดทิฏฐิ18ทิฏฐิเห็นว่าอะไรวะสัตสตะสัตสตาทิฏฐิสีส่ส 4. เอากัจ่าสัต ส, สตาทิฏฐิอีก4เนาะอันตานันติกะวาธาอีก4อมเลออมมาลาวิเคป่าอีก4อาทิตจ่าสมุ ป, ปันนัยอีก4นะรวมเป็น18เดี๋ยวไล่ฟังดีกว่า ในสัตสตาวะท่นี้มีสประเภทใช่ไหมแล้วก็เอกัจจะสัสดาวาท่าเห็นบางอย่างที่เทียงบางอย่างไม่เทียงอีกสีนะแล้วก็อันตานันติกาวาทะโลกมีที่สิ้นสุดโลกไม่มีที่สิ้นสุ ด, ส ด, สดอีกสอมราวิเคปะอีกสีแล้วก็ทิฏจารสมุปันาสอ ง, สองเียนว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุนี่แหละกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มปพันตะกัปปิกาวาทะอันนี้เห็นว่านั่นของเรา อันนี้ตอนนี้ตันหาตันหาก็เป็นประธานไอ้ตรงเนี้ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งอะไรกันอะมัไปตามดูเ <ś RPG> องยนะมันอปรันตานุทิธีสี่สิบสี่ทิธีที่ปารถเบื้องปลายมีอยูหกกลุ่มนี่มีสี่สิบสี่สี่ทสี่สิบสี่ทิอปรันตาเนี่ยอปรันตาทิธีเนี่ยนะทิธี่ปารถส่วนเบื้องปลายคือปารอนาคต มีทิยี่4ิตาเห็นขันส่วนอนาคตตาเห็นขันส่วนอนาคตมีอะไรบ้างอะมีสัญญาวาสิบอสัญญาธือสัญญาธาเเห็นว่าตายแล้วอัตตามีสัญญาเนี่ยมี16ประเภทนะ ส่วนอสัศนียวาทห์เห็นว่าหลังตายแล้วอัตตาไม่มีสัญญามีอยู่8เนวสัญญีนาสัญญีวัฒห์เห็นว่าหลังตายแล้วอัตตามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีอยู่8อุเฉทวาทหก็มีอัเห็นว่าตายแล้วอัตตาขาดศูนย์นี่7ทิฏฐธรรมะนิพานวาทาเห็นว่าสภาวะบางอย่างเป็นนิพานในปัจจุบันมีอยู่5้าประเภทก็เห็นก า, ah นน า, นานมคุณคทั้ง5เป็นนิพานบ้างเห็นปฐมฌานเป็นนิพานบ้าง เห็นทุติยชานเป็นนิพานบ้างเห็นตัดทิยชานเป็นนิพานบ้างแล้วก็เห็นจัดตุถิยชานเป็นนิพานบ้างนี่นะอันนี้สี่สิบสี่เขาเรียกว่าเป็นอปรันตอปรันตาทิฐิอปรันตาก็ได้อปรันตาก็ได้อปรันตานุทิถีนะเป็นทิถิที่ปารอบส่วนขันในส่วนอนาคตเนี่ยสี่สิบสี่อันนี้มานะทํากิจมากเห่นไหมนั่น เราเราเป็นนั่นเห็นไ้มเดีเราเราเป็นนั่น <Okay. S 1> ไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่นั่นของเราเนะี่ยพวกนี้เราเป็นนั่นแต่ก็มีทิชถี่ใช่ไหมใช่เราเป็นนั่นเนี่ยจริงๆทำไมต้องิี่มันไม่ไใช่เป็นอาณาจักไม่ดาตรงนี้มัมันมันมีิชชีก็ไปจบเลยใช่ทั้งทั้งที่ว่าิ เออนั่นแหละนั่นแหละเป็นอุปนิสัยแต่ต้องเอาทิถีนำเพราะมันเห็นผิดเข้าใจไ่มถ้าเป็นมานะนะโซดาบาละได้ไหมไม่ได้ไดนี่นต้องทินะทถีเท่านั้นแหละจริงๆทิถีต้องต้อ ง, ต, องต้องปนหมดแล้วแล้วแล้วต้องกล่าวถึงทิถีหกิบสองทิถีเขาเป็นประธานอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนะ่ะเอามานะมาหนุนใหญ่หหนุนเกี่ยวข้องยังไงก็ว่าไป ไม่งงหรอกพรารัฐวโสดาบันเอางี้แต่ถามบอกว่าแต่ถ้าถามบอกว่าเขาเขาสามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันไหมนั่นแหละในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอย่าลืมนะว่าอันแรกก็คือทิฏฐิเนี่ยเนี่ยก็คือทิฏฐิพูดถึงทิฏฐิ ใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเนะี่ยต้องกล่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องทิศถี่โดยเฉพาะที่เราเรียนกันเนี่ยนะต้องพูดถึงเรื่องทิศถี่อย่าไปพคือตัณหามานะทิศถี่ในจริงเป็นธรรมะที่ขยายวัตตาแต่ถามว่าถ้าเอาทิศถี่ออกเสร็แล้วเนี่ยอีกสองตัวเขาไม่ขยายแล้วเขาหดทัดเขาหดหดวัตตาลงมาเหลือนิดเดียวเองใช่ไหมต้องให้เข้าใจาฐานจริงๆคือตัวทิศถีนี่แหละมันดึงสัตว์ให้ติดแน่ในในพบอยู่เนี่ย แฉลบแสดงเนี่แสดงทิถีแต่ว่าคุมไปถึงมานะคุมไปถึงตันหายัางไงก็ว่าไปไก็เกิดร่วมกันไปก็ว่าไปนี่เดี๋ยวไปดูศัพท์บาลีได้ยกมาอันนี้ยังไม่ได้ยกมาแยกให้ดูแต่จริงๆคือฐานของเขาคือทิถิทั้งหกสิบสองเนี่ยทิถีล้ ว, วาสวดาบาลัดได้ ใช่อปรันตาโนทิถีใช่เนี่ยคือทิถี <c oughs> ก็คือเรียนทิถีหกิบสนั่นเองจะมาเรียนในสายของทิถีกระถา18บแปดบวกสีส่ <c oughs> สิบสี่เป็นเท่าไหร่แล้วเป็นเท่าไหร่แล้วหก <c oughs> นี่คือทิถีหกิบส ราะใช่าไหมจริงๆก็คือทิฏฐินั่นเองที่เราเรียนกันนีกก่เพเรียนวิชาทิฏฐิแต่ว่าตัณหาต้องมาพววพันต้องทิฏฐิเอามาน้าต้องมาพววพันไม่ใช่ใช่ไหมที่นี่อย่าไปอ ย, าอย่าไปสุดต่งอย่าไปสุดตรงว่านี่เป็นมารนณน์นั่นตัวนั้นไม่มีทิฏฐินี่เป็นตัณหาตัว น, นั้นไม่มีทิฏฐิอย่าอย่าไปสุดตรง ถ้าหากว่าเอาถอดทิฏฐิออกมาแล้วเนี่ยทิฏฐิเหล่านี้ไม่มีเลยหกสิบสองไม่มีเลยถ้าถอดทิฏฐิทิ้งไปตระมเลยทิฏฐิหายควับไปหมดเลยหายไปหมดเลยไอ้ตัวตัณหาก็หมดความเข้มข้นเรนดีเลยตัวมานะก็หมดความเข้มข้นเรนดีเลยนะฮะเพราะตัวตัณหากขามานะจะถูกลาดด้วยอย่างไรมาไม่ถูกลาดด้วยทิฏฐิจะไม่ได้ขอไปไม่ได้ถูกลาไ ด, ด้โสดาปฏิมาเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นอย่ามองจ้องนาน<อ> <laughs> ไม่ใช่เหมือนจะสงสัยไงว่าคือไม่อยากให้สงสัยเพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะข้อมูลแต่ก่อนรับมาอย่างใช่ไหมอัตตาโนติถีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปเข้าไปถึงอัตตาโนติถีคือสักกายที่ถีท่านไม่นับเข้านนี้อัตตานนติถีเป็นที่ถีลากเงา แล้วเป็นเชื่อของที่ตีเหล่านี้ตอนนี้คขา62แล้วนะโอ้ โ, โ, อโไหไวเหลือเกิน <c oughs> นี่จบพ ม, ม่าชารสูตร <c oughs> <c oughs> ทีคันยีกายสีรขันธทะวาร <c oughs> สูตรแรกเลยแสดงที่ตี62แล้วเดี๋ยวเพิ่มจุลศีลมัชมาศีลมาาศีลแล้วก็จบเลย น, นี่ไปเชื่อมกันให้่เลย เดี๋ยวจะม่แทนจบนี่แล้วก็ทิศทีนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะบอกว่านั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยคือ78สิบแปดกับสี่สิบสี่เป็นเท่าไหร่62สิบองสิบสองแล้วนะแล้วก็อัตานุทิศที่มีวัตถุยี่สิบคือสัคยอาทิถีอันมีวัตถุยี่สิบ รวมเป็นหกสิบสองพอดีเลยเห็นไหมรวมเป็นหกสิบสองเพิ่มอีกยี่สิบกลายเป็นหกสิบสองใช่ไหมเขาใหญ่ยังเพิ่มอีกยี่สิบฉะนั้นในบรรดาเพิ่มอีกยี่สิบเป็นหกสิบสองนี่เพราะสักกายทิฏฐินั้นเป็นประธานของทิฏฐิทั้งหมดเขาใหญ่ยังเป็นประธานของทิฏฐิทั้งหมด ไม่ว่าจะทิถีแรงขนาดไหนถ้าไม่มีวิชาทิถีประเภทอัตตาทิถีหรือสักยะทิถีเสร็จแล้วทิถีเหล่านั้นจะเจริญงอก ง, งามได้อย่างไงใช่ไหมมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชถามว่าต้นมะม่วงนี่มาจากเมล็ดมะม่วงใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละงั้นตัวสักยะทิถียี่สิบที่มีวัตถุยี่สิบนี่แหละเป็นประธานทิถีเหล่านั้นตามถือขันทั้งส่วนอดีตและอนาคต พิกสูทั้งหลายบุคคลเราใดาเหล่าหนึ่งถึงความเชื่อแน่ในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบุคคลห้าจำพวกสําเร็จแล้วในโลกนี้ห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจริงสําเร็จบุคคลห้าจำพวกที่เหล่านั้นสําเร็จในโลกนี้ห้าจำพวกเหล่านั้นคือคือใครดีสัตปักขตุปรามาโสดาบันโกลังโกลาโสดาบันเอกพิชีโสดาบันใช่ไหมใครคือสัตปักขตุปรามาโสดาบัน พระโสดาบันที่ละนิติหกสิบสองเหล่านี้ได้แล้วแล้วท่านจะเกิดอีกไม่มีพบที่แปดโกรังโกลาโสดาบันอันนี้ก็อยู่ประมาณกี่ชาติเดียวอันนี้ต่ำลงมากว่าเจ็ดนะเอาสักสามชาติก็แล้วกันไม่เกินนั้นนะนะถ้าเอกกั บ, บีชีนี่เกิดชาติเดียวนะ พระสกาทาคามีพระอรหันต์ในปัจจุบันสําเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกเราไหนละโลกนี้ไปแล้วจริงสําเร็จบุคคลห้าจำพวกก็คืออันตระปรินิพพายีพระนาคาเนะอุปปัชฌาปรินิพพายีนาคามีอสังขารปรินิพพายีนาคามีสัตสังขารปรินิพพายีนาธีอุทงอังโสโตอคติฐากามีละโลกนี้ไปแล้วจริงจะสําเร็จกลุ่มเหล่านี้ก็จะไปนูน่นแหละ อยู่ในสุทาวาจะมีหลายอยพวกพนะประเภทที่อะไรเป็นประธานอะไรแข็งแรงสัตทินสียินสีสตินสีสมาตินสีปัญญิน ส, นสีตามสถานะอยากขยายเลยตรงนี้เรื่องเยอะอยากดูรายละเอียดก็ไปดูในไหนดีอ้าวต้องการอยากขยายหน่อยก็ไปดูนู่นปริเชตที่5้าน่วันนี้ภูมด้วย น, นะไปดูพระสุทาวา อันนั้นหมายต้องไปขยายในชั้นตองดีกาก็ขยายตรงนี้ได้ไม่ยากเลยตรงนี้นตอนนี้ก็ให้รู้นะที่ท่านจะปรินิพานในระหว่างอายุอย่างไรเป็นต้นแล้วก็ท่านจะต้องไปปริ น, รนิาพานในขณะนิทะพบเป็นต้นาตามลําดับเนี่ติ๊กตุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงความเชื่อในเราเนาะบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมนี้ที่ที่ทบุคคลห้าห้าจำพวกสําเร็จในโลกนี้แล้วก็ห้าจำพวกลาโลกนี้ไปแล้วจึงจะสำเร็จ พลิกศูนทั้งหลายบุคคลเราใดเหล่าหนึ่งเรื่อมใสในเราแน่นแฟนอย่างแน่นแฟร์บุคคลเหลนะ่านั้นทั้งหมดเป็นพระโสดาบันในพระโสดาบันเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกสำเร็จในโลกนี้บุคคลอีกห้าจำพวกละโลกนี้เป็ได้จริงสําเร็จแล้วบุคคลห้าจำพวกเราไหนสําเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกเหล่านั้นเป็นสตักขตูปรมโสดาบันโกรังโกราโสดาบันเอกปีชีโสดาบันพระ ส, สกอาตาคามี พ, าราพระอรหันต์ในปัจจุบันสําเร็จในโลกนี้ บุคคลห้าจำพวกเราไหนละโลกนี้ไปแล้วจึงสําเร็จบุคคลห้าจำพวกคืออันตรายปรินิพพายีอุปาหจารปรินิพพายานาคานีอสังขาระปรินิพพายานาคาแล้วก็สัสังขาระปรินิพพายานาคาอุทังโสโตอรริตตคามีอนาคามีละโลกนี้ไปแล้วจึงจะสําเร็ จ, น, จออรรนี่ก็ไปาา อ, าาอุทังโสโตนี่นู่นไปสำเร็จแน่แน่กนที่ภูมิเนี่ยพิกศูทั้งหลายบุคคลเราได้เราหนึง่งเรื่อมไสในเราอย่างแน่นแฟ้นบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระโสดาบัน ในพระสวดาบันเหงกานั้นบุคคลห้าจำพวกนี้สําเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกรักโลกรักโลกนี้ไปแล้วจึงจะสำเร็จนี้จบแล้วที่ทิฏฐาจบอัจฉรา ย, ยังไม่ได้ขยาย ย, ยังไปรอขยายตัวตั้งอัจฉริคือคือตรงนี้มาสรุปอย่างนี้นะที่เร่งเรเร่งเร่ง <laughs> เนี่ยไม่มีอะไรหรอกต้องการอยากจะรู้ว่า <laughs> หนึ่ง <laughs> ก็ไม่ไม่ได้ ขยายได้นะตรงนี้เดี๋ยวเด๋ยก็ไปขยายกันนี่ต้องการเล่งเกี่ยวนในเรื่องของอพุทธโพ์ตัวตัวคาถาต่อไปเดี๋ยวอัศกถาในด้านของอัศกถามหาวคขอทีฏฐิคาถาอสานาาทีฏฐนิเทศเนี่ยท่านจะไปขยายก็จะกลับไปขยายตรงนั้นแหละในรายละเอียดแต่ไม่รู้จริงๆเนี่ยที่เตรียมไว้อ่ะเตรียมอีกจุดหนึ่งนะแต่พอม า, าหยิบเล่ม น, นี้ไม่ได้ดูไว้ก่อนหรอกอา้าอธิบายไปเลย อะมาอธิบายเพราะว่าเออเพิ่งมานึกได้ตอนเชา้านี่เองนึกว่าเออขยายตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจตรงนี้สรุปแล้วเข้าใจนะว่าสักกาะยะที่ถี่ยี่สิบเนี่ยอยู่ในนั่นแหละหกสิบสองนั่นเองเขาเป็นประธานของหกสิบสองนะงั้นเขาสำคัญมากมาจะพูดตลอดใช่ไหมว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ากลัว ว่าพ่อยังมีมิจฉาทิฏฐิฝังอยู่มีสกิรยะทิฏฐิฝังอยู่ในกระแสขันธ์ญาณตนะอย่าให้มันเพิ่มถ้าลดดีถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเมื่อไรมันได้ปัจจัยขึ้นมามนพรอดีพวดไปเนี่ยให้เป็นอุเฉชทิฏฐิก็เคยเป็นมาแล้วใช่ไหมสัสธรรมทิฏฐิก็เป็นมาแล้วแต่มันยังไม่ล่วงลึกลงไปจนถึงนิยตามิจฉาทิฏฐิให้เห็นในบรรดาหกสิบสองนี่เราเห็นมาแล้ว นี่ยสัตว์เ ห, วตตตเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยในจักรวาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะถูกมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองครอบงําอยู่แล้วบางคนนะ่ะเตลิดเลยไปจนถึงนู่นนิยตามมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ช่วยไม่ไหวแล้วนั่นอย่าลืมนะเราเนี่ยเผ่าพันธุ์เราอยู่ตรงนี้และเผ่าพันธุ์ของเราก็ไปเป็นนิยตามมิจฉาทิฏฐิก็เยอะที่ดึงกลับไม่ได้ก็เยอะญาติเราทั้งนั้น ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าทั้งตาทั้งยายมันต้องนั่งร้องไห้เลยทั้งไปแต่ยังนั่งคิดตรงเนี้ยท่านเหล่านั้นนะหมดโอกาสบรรูุธรรมเนี่ยแล้วไม่น่ากันกรุณาท่านไหมน่ากรุณาไหมอ๋อน่ากรุณาแล้วท่านฟังพระธรรมไม่ได้เลยท่านฟังกันไม่ได้แล้วเพราะท่านปล่อยให้ล่วงเลยเจ็ดชวนาไปแล้วความเห็นตรงเนี้ยท่านย่าให้เลยเจ็ดชวนานะท่านบอกไว้เลยใช่ไหม ถ้าลยเจ็ดโชนะแล้วดึงแม้แต่สัคยุติยานก็ดึงกลับไม่ได้แล้วไี่มีใครช่วยได้เลยอย่าให้เลยเถิดไปกันไหนนะน่ากลัวม่กที่มีสักยติที่ฝังแน่นในกระแสะขันธ์อายตนะเนี่ย น, น่ากรุนามากที่บอกว่าบุคคลเหล่านั้นกับล้วนจะพี่ๆน้องๆเรานี่แหละเข้าไปกันแล้วก็หลุดโลกไปแล้วกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้เจอแสงของพระธรรม แล้วกลายเป็นคนเฝ้าวตตะอย่างถาวรแล้ววตตะขานุเขาแปลว่าเป็นหลักเป็นตอของวตตะไปแล้ววตะมีอยู่เท่าไหร่เขาก็อยู่กับวตะไปเรื่อยๆไม่อมีโอกาสจะออกจากวัตะได้เลยมีเขาไปเขาไปาก็อยู่อย่างนั้นไง ก็เห็นผิดไปเมือนกเมื่อี้นีพวก ง, งานแสดงว่ามีพวกโปสาวมีพยาบลมีลพบลู่อะไรก็มีเป็นเหตุให้มีพิจิต้์ในสถานที่ว่าอ๋อให้สัเกตนะคือพวก น, กนิชัยพิจิตร์นะสุดตาสุดเลย่คือทีนี้เรางวงว่าปกติเนิจิตเี่ยเขาอยู่กับโลคา อก็อเห เ, เออน่าจะเป็นคนที่โักว่าแต่กเด็กก็เข้าใจนะจะ๊คะว่าคนที่มีโภศม อ, อเข้าใจเข้าใจานนะคือคือคืออย่างนี้นจริงๆเราต้องดูว่า อ, อากุศลมูล<ช>ถ้าเราเข้าใจคาว่าอากุสโลธรมออกุสราสธรรมะศาสเห็นไหมอุปนิสยปัจเเนนะปัจโย อกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลไ ม, ไม่ไม่แปลกเลยอกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมเรื่อนาาของอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นถ้าเข้าใจตรงนี้ใชไม่ไม่มีเลยฉะนันกรณีที่คนที่มีวิจารณิติเป็นคนขี้โกรธก็เพราะวิจารณิตินั่นแหละทําให้เขาโกรธฐานของเขาก็มาอีกตรงนั้นบางครั้งก็มีโมหะเป็นมูลบางครั้งก็มีโลภะเป็นมูลบางทีก็มีโทสะเป็น แต่ทำไมันเร่้ทัอยู่รโลกแต่ทัอยู่กระโลกแต่ทยังไม่อยู่ราใช่แต่ก็เป็นมูลก็ก็เเป็นปัจจัยได้เขาเป็นปัจจัยได้มากด้วยคือเห็นชัดเลยว่าถ้ารั์อย่างนี้ทได้เเแบบองถ้าถามบอกว่าถ้าไม่มีมิจฉาที่สี่เขาจะโกรธไหมไม่เนียก็ไม่รู้จะโกรธอะไรโกรธใครเลย ก็ก็เห็นโดยความเป็นร like ูปเวทนาสัญญาสังขารวิญารเห็นโดยความเป็นไปของกระแสของขันธะอุยญาตนะทําไมก็จะต้องมานั่งโกรธขันธะอุญญาตนะจะให้เขาเห็นนะคนเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละไอ้ที่โกรธกอดกันอยู่เนี่ยเห็นเป็นสัตว์บุคคลเห็นเป็นตัวเป็นตนมากแล้วก็ถอนถอนตรงนี้ออกไปนะเหมือนก็เราเห็นว่าเป็นรูปเนี่ยเราก็โกรธอยู่แน่เละ ถ้าเราเห็นด้วยความเป็นขันท่าระยะตัณหาเนียเราจะโกรธไหยไม่โกรธเลยใช่ไหมแล้วเราจะรักรักแบบโลภะไหยมันจะรักแบบเมตตาน่ไม่รักแบบโลภะเลยไอ้รักแบบโลภะมันอันตรายรักลูกก็อันตรายรักพ่อก็อันตรายรักแม่ก็อันตรายรักใครอันตรายก็ไปรักเป็นตัณหาค่อยรักด้วยเมตตานี่เรากลัวไงถ้ากลัวไงตัหาหมดแล้วกลัวความรักมันจะหมดไม่หมดหรอกมันยิ่งดีรักแบบเมตตา รักแล้วมีความสุขรักแล้วมันไม่ยึดรักแล้วมันเบามัอิสระมันปลอดโปร่งมันโล่งจะไปไหนไม่ต้องขออนุญาตใชอไห้รักเลยตัณหาอย่างนี้กลัวเขาต้องงอตัณหาอยู่นั้นเลยใช่มไหมนี่เป็นทาตของตัณหายังไม่รู้อีกเราเนี่ยเป็นทาตของตัณหาเราสมาทานว่าจะเป็นทาตของพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตของตัณหาที่ยอมอะไรมัน ไม่ยอมอะไรกับตัณหาหรอใช่มเข้าใจยังพี่พูดอย่างเงี้ยต้องเข้าใจเจตนาเนะไม่้าเี๋ฉันยอมเอมันต้องเป็นกับการสอนมาแล้วี่เอนี่เป็นอย่างเงี้ยอย่าไปอ้างงนอ้างพะุทธเจ้าอ้าวไม่างอาจารย์ใช่หม อ้ามว่าพระเจ้านู้นบอกข้าพระเจ้าจักเป็นทาาของพระเจ้าจักไม่เป็นทาาของตัณหาเออจะไม่เป็นทาาของตัณหาอีกต่อไปแล้วก็เราปฏิญญาณกันเองทําไมเราไม่ทําตามาอาจารย์เบ่งมาเตือนสติเท่านั้นเองเข้าใจยังใช่ไ้ยก็เราปฏิญญาณกันเ อ, เองเนี่ยมีใครขอร้องแล้วก็เรามีศรัทธานในพระเจ้าไม่ใช่หรือ พุทธสาหัสมมธะโสวพุทโธเมสามีกิจโลพุทโธทุกขัสสะตาเจวิทาตาจีตาสเมฆะทองกันอย่างเงี้ยยังมีการมอบกายถวายชีวิตด้วยไม่ธรรมดาเนี้ยธรรมดาที่ไหนแล้วถวายไปหมดแล้วไม่มาวิ่งตามตัณหาเงาะเงาอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมอย่าไปเกร่งใจมันตัณหาเกร่งใจมากแล้ว นีพ่พูดอย่างเนี้ยคนต้องตีความไม่ถูกใช่ไหมเนีย่ยไปหาว่ามาไปมองไอ้กระด้างกระเดื่องกับญาติพี่น้องมันไม่ใช่ให้รู้จักในการนี้ว่าตอนนี้เราเป็นท่าของตัณหาหรือเป็นท่าของศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าเราจะมีตัณหาเป็นเพื่อนหรือจะมีศรัทธาเป็นเพื่อนก็ไปนั่งท่องเทศศัพท์ตรงนี้ยมันใช่ศรัทธาหรือตัณหาเนี่ยลองมองหน้าหาก็ดูดิไม่ใช่ใช่ไหมถามว่า ถ้าเราไม่เป็นท่าของตัณหาชีวิตเราจะวา้าเหวี่ยงไเดนังคิดอย่างนี้ก่อนใช่ไหมมันจะมันจะวา้าเหวี่ยงไหมใช่ไหมหลายคนไปนั่งคิดบอกโอ้โหหนักนะ ง, งานนี้ก็ว่ามาตั้งหลักให้บอกเอา้าคนไปนั่งคิดศรัทธากับตัณหาคุณจะเอาใครเป็นเพื่อนใช่หม ถ้าเราตระหงาเป็นเพื่อนกับไปสิท่องเที่ยวไปในสังสารวัตเหมือนกันอันนี้ก็ไปเหมือนกันก็จะไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็จะมือชีวิตจะไปเป็นคลมุมเลยนะระว่างมีปัญหาเป็นเพื่อนกับมีศรัทธาเป็นเพื่อนสองแล้วอย่างยาวนานมาแล้วในสังสารวัตรเพราะเราเลือกเพื่อนผิดเรเลือกเพื่อน เราเคยประกาศเป็นทาสของพระเจ้ามาไม่รู้กี่อัตภาพแต่เราก็ลืมลองคิดดูนะว่าสมัยพระปทุมุตราสัมมาสัมพุทธเจ้ารักพระธรรมของพระเจ้ากระจายไปแสนโกดจักรวาลมากสุดมีการประชุมสงฆ์อ่ะแสนโกดครั้งแรกเลยแสนโกดลูก โอ้โหสนในศาสนาของพระพุทธเจ้ายุคนั้นเนี่ยพระปทมมุตระพระสมมาสัพไม่มีคําสอนของเดรัจฉีเจือปนเลยโอ้โหเป็นคําสอนที่เป็นคําสอนที่แรงมากบรรดาลทัทธิเดรัจฉีสยอบหนีหมดเลยหม่ำการเผยแผ่อายุแสนปีเราก็ทันมาแล้ว เห็นไหมด้วยการที่เราเนี่ยไปปฏิญญาเงิันหล่อๆหลายๆที่แล้วมันท่มเงินไปอะไรบ้าลูกถ้านั้นเราไปแต่ยุคนั้นแล้วตั้งแต่สมัยพระปฐุมุตรมมตระสัมมาสมพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าทำแผ่ขยายไปขนาดนั้นน่ะไม่ติดร่างเหรอไม่ติดร่างสัไม่ติดใครสัพยุพญายานเลยอะ่ะมันติดแบบเบาๆนี่หลยเห็นไหมแล้วมาองค์นี้ก็ยังมา ทำ ท, ท่าทำท่าศรัทธางงเงงงงเงงอีกไม่ได้ใช่ไหมมันตั้งหลักมาถ้าอย่างนั้นอีกอีกไม่ถึงอันตรกับเท่านี้พลาดเลยยาวเลย <S <S <talk themselves> หาพระเจ้าแทบไม่เจอเลยที่ทํำยังไงเราต้องเราต้องคํานวณว่าต่าที่ให้ถ like <talk> <talk> ูกที่ใช่ไหมศึกษาว่าทำมันต้องขีดเส้นเดินทางให้มันชัดคือให้เนึกอันนี้คือคือทางผ่านเนี่ยนี่คือทางผ่าน แต่ไม่ใช่ทางติดทางเกาะทางยึดมันทางขานอย่าแวะนานนี่มันนานเกินไปแล้วตอนนี้มันแวะนานเกินไปแล้วมันไม่ยอมเดินกันสักทีอะตอนนี้ใช่ไหมมันต้องเอาไฟลนอย่าวิ่งมันนั่งนานแล้วเอาไปลนเอาแล้วเอาไฟล น, ฟลนวิ่งออกวะให้วิ่งออกไปจากที่นั่นไปก่อนถ้าอยู่ตรงน้ำยังคิดไม่ได้ก็องให้วิ่งออกจากที่ก่อนเหมือนจะไปคิดออก มันต้องอย่างนั้นเลยนะที่มันเคยนั่งแช่เนี่ยนะประมาทน่อยนะประมาทเนต้องต้องวิ่งออกจากตรงนั้นก่อนถึงจะคิดได้ถ้าไม่คิดไม่ได้ต้องจะกลับไปที่เดิมอยู่เลยก็มันเฝ้าพบมานานแล้ววิธีคิดของมันเนี่ยนี่งเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เวลามาบรรยายทำอะไรต่างๆบางที่เป็นนั่งคุยกับญาติคุยกับอะไรบาทีญาติกาบอกโอ้ท่านไปไกลมั่ บางทีคุยเหมือนคุยกันคนเรื่องอะไรๆแต่สาวบอเออเรามั่นใจไหมที่เราเดินเรามั่นใจว่าเราเดินตามม็ทำต้องกล้าด้วยนะกล้าที่จะเดินตามพุทธิยาวกล้านงั้นงั้นจะหมดเวลาเลยทั้ง